ดเลนพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้ ง, งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามบุชราวิสัชนาเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติทานศีลภาวนา เราก็จะไล่กันไปตามลำดับของผู้ที่เข้ามาช่วงแรกจะเอาเด็กๆก่อนนะให้เด็กเล็กก่อนโดยเฉพาะที่ปุ่นนี่เขาเดึกแล้ ว, ยวอย่างนั้นเข้าชานิสา NK นักคุณกราบค่ะพระอาจารย์ยังไงนักคุณไม่กราบเลยกราบไปยัง อ่าอ่าแล้วไงต่อทำไม อ, อุยมทนทันดูไฟังเลยค่ะไม่ไงครับคุณคุยมันทำไมเพืไม่ฟังอ่านหนังสือที่ได้จากเอออย่าฉีกนะอ่านนะไม่อ่านไใจนยค่ะอืม เขาเขาอ่านหนังสือเมื่อคืนอ่านเรื่ององค์พุลิมานกันค่ะเพราะว่าถามว่าทำไมองคุลิมานถึงคิดว่าพระพุทธเจ้ากโกหกที่บอกว่าหยุดแล้วทั้งๆที่ยังเดินอยู่ไหนน้องคุณจะถามพระอาจารย์ว่ายังไงปล่อยฟันอ้าวไม่ใช่แล้วมันเป็นองค์ุลิมานปล่ไวไว <laughs> อยไฟได้เดี๋ยอันนั้นเลื่อนกันคะ่ะนักคลรค่ะเดี๋ยวคยอ่านอยู่ไม่ถามแล้วใช่ไหม ไได้องคุณไม่ถามใช่ไหมคะกนุ๊งสงสัยว่า้าไมพายน่าถึงปล่อยไฟได้เดี๋ยวเดี๋ยวถาใหม่คะ่ะงั้นเจ้าจ๋ลาพระอาจารย์ก่อนนะ น, นุงนุ๊งนงสงสัยว่าแม่แม่ป่อยไฟได้ค่ะบอกอพ่อบอกพ่ออาจารย์เพราะว่าเขามีไฟไงคะอ๋องั้นเข <Okay. S 2> าพายอน้าก็ามีแก๊สไงเหมือนเตาแก๊สใช่ไหมเห็นเตาแก๊สห ทีบ้านใช้เตาแก๊สหรือเปล่าท้องพญายนาก็มีแก๊สเนี่ยพออาบ่าวยังไฟมันก็ออกมาใช้ไฟก่อเก่งค่ะโอเคแล้วนะไม่ถามองค์คริมาน <c oughs> แล้วใช่ไหมคะหนูก็มีไฟอยู่หนูก็มีแก๊สอยู่ <laughs> ด, ด้านในจั่วบาบวนิมแล้วครับอาจารย์โอเคจะจัดลาแล้วนะ <c oughs> Okay, อย่าซนมากนะเ อ, เ, อเล่มนี้ดีมากเลยค่ะเขาให้อ่านลุกคืนเลยค่ะเอ่ดีสอนสอนลูกไว้เอาซื้อธรรมะมาสอนลูกดีกว่าเอาหนังสือฤฤยังไงมาสอนดูค่ะค่ะดูภาพดูอะไรแล้วก็เล่าให้ฟังองค์ุลิมานมาสอน่อ่ะาาโอเคจ้ะ จากจะไปที่จำอ่าเราจะมากก้เจ้าที่ก่อนนะเราจะมาแก้เจ้ที่ก่อนเอาาราเราเป็นอาจารย์พร์ทิมครับมายังไงครับวันนี้เมื่อส่งกันว่าเช่นเดิมครับอ่าว่ามาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร้มพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา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 กรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นภัยญาติคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรนั้นเสื่อไฟเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ <Okay. S 2> ทุกวันทุกวันคือนะทำอะไรก็ต้องรับผลของการกระทำของเรานะครับโอเคแล้วร่างกายเรามีอะไรบ้าง มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหัวใจตับของไตปอดใช่ใหญ่ใช่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำ่ีน้ำทะเลน้ําเหลืองน้ำเลือดน้ําเหงื่อน้ํามันคนน้ำตาลน้ำเดือน้ำตาลน้ำมูดน้ำเคยข้อน้ำมูด น้ำมูนน้ำผี้ข้อน้ำมูนน้ำตาน้ำเหลือน้ำตาน้้นน้ำเหลืองน้ำเือน้ำสดน้ำดีเยี่ยนในสมองศีสษะปลอดไตขบืนตัหัวใจม้าเยี่ยนใกระดูกกระดูกเอ็นนนงฟันยัดขนผไปดูภาคของพวกนี้หนอย่าง ไปนิดนึงครับจะดูแต่ในหนังสือครับในหนังสืออ่านาตอนนี้ครับแต่ของจริงไม่กล้ารู้ครับก็อยู่กับมันมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมใช่ครับแล้วมันน่ากลัวตรงไหเราอยู่กับมันมามันมันทํำร้ายเราไม่ครับทําไม่กลัวมันทําไมครับอ่าอ่เราหัน ดูภาพวาดก่อนก็ได้นะวาด่ามาคงกันดูภาพวาดหัวใจตับปอัดดูไปน่าน่าได้รู้ความจริงของร่างกายของเราทุกคนว่าเป็นอย่างไรสวยสวยหรือไม่สวยหน้าดูหรือไม่น่าโอเคมีอะไรจะถามไหม ไม่มีครับเวลามาฟังเทศที่ที่กุฏิให้ฟังเรื่องไว้เรื่องครับอาจจะมีคิดนิดนึงครับมีอะไรนะอาจจะมีความคิดนิดนึงครับนั่งนั่งนั่งไม่ขยับได้ไว้หรือขยับทางกายหรือเปาอาจจะมีขยับไหนครับเปลี่ยนทาง นีเป็ี่ยนท่านั่งเลยถ้นเอสติไม่ดีเนะถ้าถาถสติดีตั้งใจฟังนี้จะจะเลิมเรื่องร่างกายไปเลยค <c oughs> อไายามฝึกนะฟังเทศก็เป็นวิธีฝึกสมาธิไปเลยตัวด้วยได้ครับครับ <c oughs> แล้วก็ฝึกปัญญาไปด้วย <c oughs> มีโอกาสเข้ามาทำบ่อยๆวันที่วันที่31นี่เขาก็มันหยุดก็ไม่ได้ใส่ไว้ในตารางแต่ก็มีมีเทนแจ้งใหกันได้ทราบไหมวันที่31มันวันจันทป็ปกติตอนที่ทําตารางนั้นเขายังไม่ได้กําหนดให้เป็นวันอยู่แต่เขาเป็นวันกำหนดเมื่อเมื่อวานนี้ครับก็เลยต้องเพิ่มอีกวันหนึ่ง ก็เปอใครถามใค ร, <cam us> ใครบอกเขาได้นะก <cam us> <cam us> ็ตั้งแต่วันศุกร์เลยใช่ไหมคะ28 6วันติดฟังกันได้หูฉีกเลยไอเกเลยฉีกเลยโอเคไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมหนูมีคำถามนิดนึงค่ะอาจารย์พอเราเวลาที่เราฟังทำเนี่ยเราศึกษาทรมาค่ะพ่อแม่ครูอาจารย์บอกว่า มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาค่ะเราก็เห็นตามทุกอย่างเราเราไม่มีข้อสงสัยไม่มีข้อโต้แย้งเลยอค่ะแต่ทําไมมันถึงไม่ไม่สามารถหลุดพ้นได้อะคะพระอาจารย์มันมันเหมือนแบบเราก็ยังคิดว่ามันเป็นเราอยู่ดีอ่ะมันยังไม่เข้าไปถึงใจมันเข้าถึงแค่เปลือกของใจมือถึงขันคือสัญญาเมอมันฟังมันรับรู้มันจําได้แต่มันยัง เข้าไปในใจไม่ได้เพราะกิเลสมันไม่ยอมให้เข้าไปเราต้องไปหยุดตัวกิเลสต้องเข้าสมาธิทําใจให้เนื่องบรรลุเบิกขาดัง น, นั้นกิเลสมันก็จะไม่มีกําลังที่จะมาต้านธรรมะความจริงมันก็จะเข้าไปในใจแล้วก็ใจก็จะสามารถที่จะรับได้แล้วใจก็จะเฉยกับ ความจริงได้ไม่ต่อต้านไม่เศร้าใจไม่เสียใจคนที่ทําให้ใจเราเศร้าใจเสียใจนี่ก็คือกิเลสความอยากความอยากให้สิ่งที่เรารักเราชอบอยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่อยากให้มันเปลี่ยนไม่อยากให้เราจากไปอยากเอาไปมันก็เลยทําให้เราเศร้านะเพราะว่ากิเลสมันยัง ไม่ได้รับการขัดเกลียวต้องขัดเกลีวด้วยการฝึกสมาธิ <c oughs> สมาธินี้จะเป็นตัวที่จะหยุดกิเลสได้ <c oughs> พอหยุดมันได้แล้วที่พอเรามาเคลียร์ธรรมะมันก็จะอ่ามันก็จะยอมรับได้มันก็จะเฉย <c oughs> เราขาดตัวเฉยใจเราไม่ยอมเฉยใจเรายังทุกกิเลสเป็นตัวเอชักเยชักชัก ช่างอยู่ช่างอยู่เรื่องหลังขอให้เรารัากเราชาง่งเรากล้าเรากลัวอะไรต่างๆนังต้องฝึกสมาธิให้เยอะฝึกสติให้เยอะฝึกสมาธิถ้าใจมีสมาธิมีความเน่งเฉยได้ต่อไปมันก็จะใช้กับเหตุการณต่างๆได้พรามันจะรู้ว่าไปไปไปเสียใจก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ไม่เปลี่ยนแปลงะ อยู่เฉยๆดีกว่าน้ามันไม่ได้เราพยายามฝึกสมาธิบ่อยๆออเอาจิตให้เป็นอัปปนาสมาธิให้นิ่งเราต่อไปจิตก็จะจะหับได้สนใจนะใ้องปฏิบัติ ธรรมนที่เรายินดับฟังนี่เป็นเป็นสัญญายังไม่ใช่เป็นปัญญา <c oughs> ถ้าเป็นปัญญาต้องมีสมาธิเป็นผู้ช่วยด้วยเป็นเป็นภาวนามายปัญญาถึงจะอยู่ก่เลสได้ปัญญาที่ก็จากได้ยินในฝฟังสุตตานี่มันยังไม่ได้เป็นปัญญาแท้เป็นสุตต์เป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าเรามาฟัง เราก็มาจดจําแต่มันยังไม่สามารถถลุเข้าไปในใจเพราะกิเลสมันความอยู่ <c oughs> ต้องภาวนาสมาถทานภาวนาถ้าเรามีสมาถทานภาวนาแล้วที่นี้ปัญญาก็จะกลายเป็นภาวนามายาปัญญานถ้ามีภาวนามายาปัญญาก็หยุดกิเลสได้หยุดความอยากต่างๆได้ถ้าปัญญาบอกว่า อย่างกลาทุกข์ก็จะหยุดได้ไม่ไม่กล้าทุกไม่กล้าฝืนความจริงอันนี้มันยังฝืนอยู่กิเลสเป็นตัวฝืนกิเลสมันไม่แครมันไม่สนใจใจะทุกข์ก็ทุกข์ไปแต่กิเลสมันไม่ได้ทุกข์ไปกับใจเพราะเวลาทิจารนาว่ามันไม่มีตัวเราอย่างเงี้ยค่ะลึกๆแล้วใจมันหายค่ะพระอาจารย์มันไม่มีตัวเราจริงๆหรออะไรเงี้ยค่ะมันใจมันไม่เป็นกลางมันไม่เป็นอุเบกขา ยังมีตัวเราอยู่มาถึงมาถึงขั้นหนึ่งแต่ถ้าทำสมาธิใจนิ่งนะตัวเราก็จะหายไปหรือ <c oughs> แ, แต่ตัวรู้ตัวเราก็เกิดจากสัขงขารความคิดเปลก่ของใจที่เราสมาธิหยุดมันชั่วคราว <c oughs> ตัวเราเลยหายไปหรือ แ, แต่ตัวรู้ลองทำไปทาสมาธิให้ได้แล้วจะ จเห็นเห็นความแตกต่างโอเคนะขอบคุณครับขอบคุณอ่าไปฮอแลแนด์ขอบคุณแม่เป็นยังไงมีอะไรัหมวันนี้อวันนี้มีสอบความจำครับพูดจังงางหน่อยได้ไใจ อเ อ, อวันนี้มีสองคำถามครับเดีชั ด, ดีถามเลยจะไมถ้าเราทําอะไรชอบเวลามันก็ไปแล้วเร็วแต่ถ้าเราทําอะไรที่เป็นไมาชอบเวลาก็จะไม่ไปเร็วครับเพราะเวลาเราทําสิ่งที่เราชอบเรามีความสุขมีความสุขมันก็ไม่รู้สึกว่าเวลาผ่านไป แต่เวลาเราทําสิ่งที่เราไม่ชอบเรามีความทุกข์พอเรามีความทุกข์แล้วยากจะให้มันหายไปเร็วๆแล้วก็รู้สึกว่าเวลาชาเรื่อเกิน okay. Thanks, เวลาเรามีความสุขเราไม่อยากให้เวลาผ่านอยากให้ความสุขอยู่กับเราไปนานๆ mm. แต่เวลามันก็มันก็ มันก็เดินเท่ากั น, มนไม่ช้าไม่ร็วแต่ความรู้สึกของเรารู้สึกว่าช้ารู้สึกว่าเร็วการเนี่ยก็พยายามทำให้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องทอําำต้องเป็นสิ่งที่ดีมีคุณเป็นประโยชน์นะ อย่าไปชอบทำเป็นสิ่งที่มีมีโทษไม่มีประโยชน์เช่น <im itation> เล่นเกมนี่ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษเพราะฉะนนเล่นเกมทำไเวลาผ่านไปได้แล้วกันนะเล่นแป๊บเดียวชั่วโมงนะอย่าบอกอรย์ทียังไม่มีตัวอังไม่เล่นเกมแล้วคนระับไม่ละนะเล่นแล้ว่ะทําการบ้านนีกว่าให้ชอบทําการบ้านชอบดูหนังสือดีกว่า สมัยก่อนไอส์สไตน์เขาไม่มีเกมนัน่นเขาถึงเป็นไอ์สไตน์กัได้สมัยนี้าหาไอส์สไตน์ไม่ก็ได้ครมันมีแต่คนเล่นเกมเด็กเล่นเกนมกันตลอดโอเค so you know yeah ถูกต้องที่สองที่สองก็อาจารย์อายุเท่าไรครับเจ็ดสิบห้าครับ หมนแล้วเหรอคำถามโอเคคุณแม่มีคำถามหรือเปล่ามันมีไม่อยู่ในภาษาไม่มีโอเค ค, ค, ค, okay. คุณพ่ออยู่แม่กาวนะเขาม e e อยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่ากับเพื่อนร่วมงานค่ะโอเสียงก็ได้ยินเสียงก็คุยขออภัยครับภาษาอังไม่เน ไ, ไมเวลาคิดว่าเขาเ็ า, ากกคุยกับลูก ที่มาบอกให้เรามาถามคำถามไม่กล้าออกมาโผล่หน้าพยายามหาเวลาวันอันองคารค่ะพระชาน <Okay. S 2> แต่ว่ายังเขายังไม่มีเวลาว่า ง, ต, งติดงานตลอด <Okay. S 2> อยากเข้ามาอยู่ค่ะโอเคงั้นเอาทัานทีก่อนนะพิชานขอพรกก่อนค่ะเมื่อกีเห็นพัทรลาปอเข้ามาหายไปแล้วนะมองไม่เห็นนะ okay. ยาวคุณหมอพิเชษกันแล้วกันคุณหมอพิเชษกล่าวนัสกสการพระ อ, อาจารย์ครับจากในหนังสือตอบปัญหาข้าใจพระอาจารย์ได้กล่าวว่ า, าการเดินจงกรมและการนั่งสมาธิของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตาสาวกเป็นวิหารธรรมขอความเมตตาพระ อ, อาจารย์อธิบายวิหารธรรมครับ วิหารแลาวทำก็เครื่องอยู่วิหารแบบว่าที่อยู่อาศัยทําที่เป็นที่อยูอาศัยของพระอรหันต์หลวงพ่อพุทธเจ้าก็คือความสงบเลยนะการก็ทําไม่มีความจําเป็นจะต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านก็ท่านก็มาเดินจกงกรมนั่งสมาธิกำใจใายง่ายๆสงบนง่ายๆเป็นเครื่องอยู่ของผู้ที่ไม่มีกิเลสนะ ถ้าไม่ได้เดินโยมกลมนั่งสมาธิเพื่อฆ่ากิเลสเหมือนพวกที่ยังมีกิเลสอยู่พวกเรามีกิเลสเราต้องเดินจยมกลมนั่งสมาธิเพื่อหยุดความคิดเพราะความคิดของเราเป็นความคิดของกิเลสมีแต่เรื่องโลภโกรธหลงเรื่องอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วมันกระทัางความวุ่นวายให้กับใจความคิดของพระอหันตของพระเจ้าจะไม่ได้คิดไปในทางนี้ <pretending. S 2> ถ้าปล่อยมันคิดมันก็ยังทําให้ให้ใจเหนื่อยได้บางทีท่านก็ต้องใช้ความคิดเวลาที่ท่านแสดงธรรมเวลาเกี่ยวข้องกับบุคลบคลต่างๆก็ต้องใช้ความคิดสอนธร ร, รมะพูดธรรมะตอบคําถามอะไรถ้าพูดบ่บอยๆมากๆก็เหนื่อยได้พระเจ้าท่านเทศวันละสามสามรอบสามสี่รอบได้กันสานบ่ายเทศให้ญาติโยมฟัง นอรค่ำเทศให้กับประภิกษุสิกษุณีนอนดึกก็สนนาธรรมเทศให้กับเทวดามันก็ต้องใช้ความคิดทางการความคิดตรงแต่นั่นก็พักผ่อเวลาที่ท่านไม่ต้องเทศไม่ต้องอะไรท่านก็ถ้าว่างถ้ากก็เดินโยมบ่มากนั่งสมาธิมากเดินยมกลมก็เป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วยรักษาธาตุขันธ์ร่างกาย ให้แก็งแรนให้มีกำลังวังชาเห็นไหว่าท่านไม่ได้ทําแบบสมัยที่ท่านยังมีกิเลสช่วงที่มีกิเลสท่านเดินยังกาลังสมาธิเพื่อเพิกปาบกิเลสพ อ, ม, อ ม, มันหมดแล้วจะเดินก็ได้ไม่เดินก็ได้จะนั่งก็ได้ไม่นั่งก็ได้จะเข้าสมาธิแล้วไม่เข้าก็ไดอ้อันนี้แล้วแต่เป็นออปชั่น อย่างสตินี่ก็เป็นวิหารธรรมใช่ไหมครับอาจารย์มันก็ต้องมีสติเป็นตัวที่ทำให้ใจสมองอ ม, มีสติคอยหยุดสังขารความคิดปูนแต่งมันก็ต้องใช้สติสติสมาธิปัญญาท่านก็ยังมีอยู่แต่ท่านไม่ได้เอามาใช้เพื่อกำจัดกิเลสแทน เอามาเป็นเป็นยาอายุวัฒนะเหมืนกับยารักษาโรคยามันมีแบบที่รักษาโาครคภัยไข้เจ็บแล้วยาที่เป็นอายุวัฒนะถ้าไม่มีโครคภัยไข้เจ็บก็ยังกินยากันอยู่คนที่มีสุขภาพดีกินวิตามินกินอะไรอาหารเสริมต่างๆยาอันนี้ก็ถือว่าเป็นอายุวัฒนะทางจิตใจท่านก็ใช้การเดินโงกมนั่งสมาธิ ขอบคุณครับอาจารย์วันนี้คำถามง่ายๆหน่อยนะขอบอาจารย์ใครที่ใครต่อเนะบคุณนิสยากับคุณลูกษาแม่ลนาราท่วาอใ้ต่อเองนักมาตรการครัอาจารย์รู้กันไหมสาหรับโยมนะคะอาจารย์โยมพยายามทาอยู่ค่ะอาจารย์พยายามนั่งสมาธิแล้วก็พยายามให้ ให้มีส ต, ติมากขึ้นนะคะแล้วก็รูปถ่ายอะไรทุกอย่างตอนนี้ก็ไม่ถ่ายแล้วค่ะจะมีเพลวันหนึ่งไม่ได้ตั้งไม่คิดว่าเพราะความสวยงามแต่หันไปเห็นกอบัวกอเนืงอคะ่ะแล้วก็มันมีดอกบัวแล้วก็มีฝักบัวสามสามรุ่น<ม>ก็พอมองปุ๊บมันก็รู้สึกว่า อ, อ๋อนี่ไงความไม่เที่ยงมันมันมองเป็นว่าพอดอกบัวแล้วก็กลายเป็นฝักบัวอ่อนแล้วก็จนกระทั่งแก่ไปมันก็วนเวียนอยู่แบบนั้นนะคะก็เลย คือ น, นะหันไปมองเป็นแบบนั้นแล้วค่ะตอนนี้อาจารย์รู้สึกว่าเห็ น, ปนแปลกอาจารยล้เห็นทุกอย่างแปลกอาจารย์นั่นใช่ค่ ะ, นนคะพอไปมองปุ๊บก็หันแต่นแรกหันไปมองแล้วก็หันกลับ<ม>ก็หันกลับไปมองใหม่เออนี่<ม>ไงมันไม่เที่ยง ม, มันเป็นใจรักจริงจริงก็เราตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามองไปแบบนั้นแทนที่จะดูสวยงามแบบเมื่อก่อนนะคะ<ม>แล้วก็พอขับรถใช่ไหมคะก็มองว่ามองพุ่งไปข้างหน้าเราจะรู้สึกเหมือนกับมีจอสว่างอยู่แค่หน้าเราอ่ะตัวเราอะไรอย่างนี้มันจะไม่เห็นนะคะอาจารย์ ก็คือเหมือนกับจดจ่อในการถับรถนะค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนไปนิดนึงค่ะรายงานผลนี่ค่ะต้องพยายามมองเห็นนั้นิีจางให้ได้เราเปรียบเทียบกับทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแต่มันอาจจะเปลี่ยนช้าเปลี่ยนเลยมันแนี้อย่างร่างใจเราเปลี่ยนทุกทุกวินาทีแต่มันช้ามองไม่เห็นเราจะเห็นก็ตามเมื่อเราเปรียบเทียบภาพที่ถ่ายเมื่อห้าปีก่อนกับภาพที่ถ่ายวันนี้ รับลูกของเราวันนี้มันเหมือนคนละคนเลยเมื่อสิบปีก่อนยี่สิบปีก่อนตอนนี้ก็พยายามนั่งสมาธิมันก็เหมือนที่อาจารย์บอกว่าส ต, ติเป็นพักๆ ก, ก็อ๋อแต่ก็ยังดีว่ามันมันมีพัฒนาการอะคะ่ะจารู้สึกว่าเออถ้าเราต้องทําไปเรื่อยๆอะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับว่ายมอยู่ในขั้นตอนของการฝึกให้มากกว่านี้นะคะ่ะอทําสมาธิให้มากเรามีปัญญากันเยอะแล้ว ได้ยินได้ฟังเรื่องปัญญากันเยอะแต่สิ่ง<ไ>ที่เราขาดก็คือสมาธิเพราะสมาธินี้พระพุทธเจ้าทําให้เราไม่ได้ต้องสอนทางปัญญาให้เราได้พย<ไ>าย<ข>าม<ข>ับสมาธินี้ต้องโตใครโตมัน<ช>ตาหิย<ข> ต, ตโนนาถุแต่มันก็ยากนะคะอาจารย์ ปุ๊ปุ๊ปุ๊แต่จะพยายามค่ะอาจารย์จะไม่ให้เสียชาติเกิดค่ะจะพยายามให้มากกว่านี้ค่ะอาจารย์ง่ายมันก็เป็นผ้าหลังเต็มบ้านเต็มเมืมองมันบอกว่าใช่ค่ะ <c oughs> ่นี่ยมันพอคิดทีแล้วมันโอ้มันยากเนาะคิดว่าเพราะฉะนั้นก็บอกว่าอย่าคิดมากอย่าคิดมากเออได้แต่ปลอบอะค่ะแต่พอจริงๆเราห้ามตัวเราเองไม่ได้เหมือนกันรู้สึกว่าอืมมั น, นต้องใช้เวลาเราจีเกียดพูดโทรมถ้าเราขยานพูดโทวมมันก็มันก็ห้ามได้ มันโตก็คือตัวห้ามแต่เราไม่ใช้มันเองพยายามค่ะอาจารย์ตอนนี้ตื่นขึ้นมาพอมีสติวุ้บพุทโธพุทโธพอหลุดก็รีบกลับมาพุทโธใหม่ค่ะพยายามเต็มที่ค่ะอาจารย์จะพยายามให้มากกว่านี้ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะพระทกตอาจารยมีไหมไม่มีก็ไม่เป็นไรนะยังยังไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์โอเคงั้นไปที่คุณศาธตกา อากใชหน้าคตศาสการมาฟังธรรมค่ะอาจารย์ค <Okay. S 2> ่ะปฏิบัติค่ะศาสตราที่อาจารย์พรมพิไลกอธรรมนร์กับนุสการพระอาจารย์ค่ะเป็นยังไงกลับนุสการพระอาจารย์ครับอาจารย์สบายดีนะคะสบายดีวันนั้นฝนตกหนักมากเลยค่ะวันอาทิตย์ได้เห็นพระอาจารย์บินธบาต อ่ากนไม่เป็นไรฝน<ม>ตงมันก็แค่เปียกนะฮะอาบน้ำก็เปียกไปแล้ว <c oughs> เปียกเปียกเปียกกว่าได้ซ้าไปไม่กลัวทำไมซักผ้าผ้าก็เปียกกว่าใช <c oughs> ่นะยังฝนตกไม่มีปัญหาดีสมัยเด็กๆชอบเล่นฝนน้าฝ น, น, นไ <c oughs> น้่้ำเวลาฝนตกได้ออกแจ้ผ้าขเขา่งเล่นกลางตลาด <c oughs> อยู่ตา่ง <c oughs> ตางจังหวัดต่างจังหวัด อยู่ในตลาดตกก็ออกมาเว่นน่นน้ำฝนถนุกก็เห็นเออเกรงว่าท่าขางจะลําบากอยู่เพราะว่ามันรอองฝนเยอะอยู่นะคะอ๋อมันจะมันจะเปรียกเท่ากับเวลาเราอาบน้ําน้ํารือเปล่าเวลาอาบน้ำเปียกทั้งตัวนี่เป็นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องรอองฝนมันเกี่ยวความเย็นคที่จะทําให้ร่างกายเราที่แรงต้าน ว่โาโรคภัยมันอ่อนลงใช่ไหมว่าความเย็ยนถ้าเราปล่อยให้ร่างกายมันเย็ยนมากๆมันจะฟูต้านทานมันจะน้อยมันก็อาจจะทําให้เป็นไข้เป็นหวัดอะไรได้เท่านั้นแหละแต่ถ้าเราเปียกเดียวๆแล้วเราเรีบพอเสร็จแล้วเราก็รีบทําให้มันแห้งถ้ามันเปียกทั้งทั้งวันทั้งคืนนี้ยโอกาสที่มันจะเปียกไข้ได้ป่วยได้อาจารย์ถ้าการแข็งแรงก็กลับ นมัสการพระอาจารย์ค่ะจริงๆนะก็ไม่คือฟังแล้วในเรื่องเกี่ยวกับเออสติอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อุเบกขาเนี่ยนะคะก็ฟังมาตลอดก็พยายมปฏิบัติอยู่ค่ะนี่แหละเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติค่ะถ้าได้อุเบกขาแล้วปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังมานนี้เอามาใช้ดับกิเลสได้เลยหยุดความอยากต่างๆได้เลย แต่เรไม่มีกำลังหยุดไม่มีอุเบกขาไม่มีสติมีเป็นพักๆค่ะอืหยุดไม่ได้ทั้งหมดแต่สังเกต ด, ดูได้ว่าดีกว่าเดิมมานะคะในชีวิตเนี่ยปั ด, ปดอะไรเป็นได้เยอะมันต้องใช้เวลาัไม่ใช่จะได้บาปปุ๊บปับ๊บขึ้นบาสนั่นนอกจากมีบืญเก่ า, ม, ามีสติมาเยอะแล้วพอมาอทําต่อมันก็ทําให้เจ็บง่วงได้เลย มคนบางคนนี้เขาเริ่มนั่งสมาธิห้านาทีสี่นาทีจิตเขาก็รู้ว่าอ่าไม่ไม่มีไม่มากน้อยยังไม่ถึงตรงนั้นเลยค่ะใกล้แล้วค่ะก็ต้องทําต่อไปนค่ะไปนะกรับค่ะอถึงโมตนาอ่านไปที่คุณตัตโตนะตัตโตอยู่ภูเก็ตแล้วเอาคำนามัมตการค่ะพระอาจารย์ ค่ะยไบ้างอืมก็เพิ่งไปคีโมเข็มหกมาค่ะพระอาจารย์ก็อาทิตย์หน้าไปซีทีสแกนค่ะอืมก็ถ้าเกิดว่าไม่เจออะไรก็คือจบการรักษาค่ะพระอาจารย์ไม่ต้องใช้แสงมันต้องใช้ก่อนนะไม่ใช้ค่ะของหนูคีโมหกเข็มค่ะโอเค็มค่ะก็ยังมีกำลังวังชาแข็งแรงดีอยู่นะ ก็จะแพ้เคีโมประมาณสองอาทิตย์ค่ะก็เลยเวลาจะเข้าซูมทีก็จะต้องรอให้หายแพ้ก่อนค่ะอาจารย์ก็จะเป็นอาทิตย์ที่ที่สามอย่างเงี้ยค่ะก็จะเริ่มแข็งแรงอืมเรฟังดูเสียงว่าดังชัดเจนดีค่ะก็ก็พยายามอ่ปฏิบัตินั่งสมาธิทุกวันค่ะช่วงที่ป่วยถ้าฝืนได้ก็ก็ฝืนค่ะพระอาจารย์ก็นั่งเท่าที่ร่างกายไหวถ้าไม่ไหวก็นอนพุทโธค่ะอืมสติกับสมาธินี่สําคัญนะ มนพันตารของเจค่ะก็รู้สึกว่าจะถามพระอาจารย์ด้วยค่ะว่าเวลานั่งสมาธิปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะเวลานอนสี่ห้าชั่วโมงมันก็จะรู้สึกว่ามันมันอิ่มมันพอค่ะแต่ช่วงไหนไม่นั่งสมาธิบางทีสิบชั่วโมงก็ยังรู้สึกอยากนอนต่อค่ะพระอาจารย์มันเป็นเพราะจิตหรือว่าเป็นเพราะจิตที่สงบมันทาให้ร่างกายแข็งแรงอะค่ะเมืองอานจะเป็นเพราะจิตมัน มันมันไม่มีกําลังมันก็เลยไม่อยากจะตื่นจิตถ้าจิตมันมีกําลังมันก็มันก็สดชื่นเดือบมาพอร่างกายได้พักผ่อนพอเพียงก็จะลุกขึ้นมาทันทีได้มันมันนอนต่อไม่ได้ค่ะหมายถึงว่าพอพอนั่งสมาธิสี่ห้าชั่วโมงก็รู้สึกว่ามันมันนอนต่อไม่ไหวแล้วมันมันต้องตื่นแล้วค่ะพระอาจารย์มันสดชื่นเอก็เลยก็พยายามฝึกสติไปเรื่อยๆพระเจ้าบอกสตินี่เป็นธรรมแลิวมันเป็นเสริอ ทำที่สาคัญคที่สุดค่ ะ, คะหนูมีคําถามจากการปฏิบัติกับพระอาจารย์คืออาทิตย์อาทิตย์เนี้ยค่ะหนูนั่งสมาธิแล้วก็มันเป็นความรู้สึกครั้งแรกที่หนูนั่งค่ะหนูรู้สึกว่าหนูไปอยู่แบบพอนั่งแล้วมันมันมันสงบแล้วมันไปอยู่ในที่ที่มันกว้างขึ้นรู้สึกว่าแบบที่พื้นที่มันกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าเราอ่ะมีความสุขกับมันมากค่ะพระอาจารย์ แต่อยู่ดีๆหนูก็นึกถึงคําสอนพระอาจารย์ว่าเวลานั่งสมาธิให้บริกรรมพุทโธพอหนูนึกขึ้นได้หนูก็ทิ้งความรู้สึกนั้นนะคะแล้วพอมาอยู่กับพุทโธก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองมาอยู่ในที่ที่มันแคบลงแคบลงแคบลง แ, ล, งแล้วก็มาอยู่กับพุทโธค่ะหนูต้องต้องจัดการยังไงคะหรือหนูอยู่กับความรู้สึกมีความสุขตรงนั้นได้หรือหนูต้องบริกรรมพุทโธค่ะเอมถ้าเรายัางบริกรรมได้จริงยังไม่รวนเราก็ควรจะบริกรรมต่อไป เพระาะถจิตร้องมันจะได้มันมันจะได้ความว่างความสงบความนิ่งของใจค่ะแต่ไอ ค, ความสุขตรงนั้นคือมันมันไม่ใช่ความสงบ <c oughs> ใช่ไหมคะอาจารย์มันก็เป็นความสุขที่เกิดจากความสงบนะแต่แต่คือไม่ควรอยู่ตรงนั้นควรจะอยู่กับพุโทโธใช่ไหมคะก็ต้องอยู่กับพุโทโธไปจนกว่าจิตมันจะนิ่งจะสงบแล้วพุโทโธมันก็จะหยุดไปเอง คือตอนนั้นเราก็จะรู้เองใช่ไหมคะแต่ถ้าเรายังไม่สงบเราก็ต้องพุดโธไปเรื่อยๆก่อนื่อยก็ยังมีความคิดอยู่ก็ต้องพุดโธต่อไปต่อให้มีความสุขก็ต้องทิ้งตรงนั้นแล้วอยู่กับพูดโธไปใช่ไหมคะใช่มันเป็นทางผ่านมันเป็นทางผ่านไม่ใช่เป็นจุดปลายทางของการภาวนาอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามค่ะพระอาจารย์คือเวลาเวลาเรามีปัญหาเหมือนช่วงเนี้หนูมีปัญหาเยอะใช่ไหมคะหนูก็ใช้ บางที่ฟังธรรมะพระอาจารย์แล้วก็พิจารณาแล้วก็รู้สึกว่าเราอ่ะสามารถจัดการกับความทุกข์แล้วอยู่กับปัญหาได้แต่พอทีนี้พอมีข่าวดีแล้วพอมีเรื่องที่เรามีความสุขอยู่ดีๆมันก็ทุกข์ค่ะว่าอ้าววันเรามีความสุขเดี๋ยวต้องเจอทุกข์อีกแล้วอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์ก็กลายเป็นว่าหนูจะต้องวางใจยังไงดีคะให้มันเป็นอุเบกขาค่ะพระอาจารย์ก็ต้องกลับมาที่พุทโธพุทโธไปไม่ต้องไปคิดใช่ไหมคะไม่ต้องไปคิดอยู่ความคิดไป ค่ะแล้วก็สอนใจว่าสุขก็ดีทุกก็ดีมันก็ไม่เที่ยมมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไปค่ะสลับกันไปสลับกันมาก็คือหยุดความคิดของเราใจเราอย่าไปทุกข์กับมันถ้าเราหยุดความคิดเราใจเราก็จะไม่ทุกข์กับการไปการมาของของสุขแลอทุกข์ก็คือพระอาจารย์สอนว่าให้ระงับความคิดคือคิดเท่าที่จําเป็นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะคิดยังไงก็ไม่ต้องไปคิดให้พุทโธไปตลอด ยิ่งเฉพาะถ้าเราทุกข์ก็แสดงว่าเราคิดมากคิดด้วยความอยากพอมีความสุขก็ทุกข์อีกว่าเดี๋ยวมันจะไปทุกข์อีกเพราะอยากไม่ไม่ไม่ให้มันหมดอยากให้มันสุขไปอยากให้มันพอรู้มันจะทุกข์มันก็เลยไม่อยากจะเจอความทุกข์มันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจกันะเพราะฉะนั้นคาว่าอุเบกขาก็คือการหยุดคิดหยุดปรุงแต่งอย่างนั้นใช่ไหมคะหยุดอยากอยากไปอยากไม่ไม่อยากอยากไปอยากให้มัน สุขไปเรื่อยๆหรืออยากไปอยากให้อยากไปอยากไม่ให้ทุกข์มาต้องปล่อยมันไปค่ะค <c oughs> ำถามสุดท้ายกับพระอาจารย์พอดีพระอาจารย์พูดถึงการถวาย เ, ออเราสามารถถวายอาหารเสริมแกพพ่พระภิกษุสงฆ์ได้ไหมคะพระอาจารย์ได้ได้ไดแต่ต้องอคือแล้วแต่ว่ามันเป็นแบบยาหรือเปล่าถ้าเป็นยาพวกวิตามินอะไรนี่ก็เป็นถือว่าเป็นยาแต่ถ้าเป็น ถ้าเป็นอาหารเสริมที่แบบต้องมีการอ่ชงด้วยน้ำอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นอาหารซึ่งอาจจะท่านก็ร่ำได้แต่ท่านต้องฉันตอนที่ต้องฉันกับอาหารอ๋อถ้าเป็นชงกับน้ําเหมือนชงเดิมอย่างนี้คือต้องฉันพร้อมอาหารแต่ถ้ามันเป็นส่วนประกอบของอาหารผสมอยู่ด้วยค่ะแต่ไม่เป็นไรท่านถวายได้ในหน้าท่านท่านก็จะรู้เองว่าท่านท่านจะฉันเวลาไหนม่ฉันเวลาไหนค่ะอาจารย์ หมดคำถามแล้วคะ okay, ่ะโอเคาราบถึง่ <c oughs> ไปที่คุณนันภัทรพจทากูบนหายหน้าไปหลายหลายอาทิตย์เนื้อหลายเดือนกล่าวธรรวัตการเจ้าค่ะพระอาจารย์ไปเอาการบ้านพระอาจารย์ไปพยายามอยู่เจ้าค่ะที่พระอาจารย์แนะนำว่าให้เริ่มนั่งได้แล้วเจ้าค่ะก็ได้มีโอกาสได้ลองนั่ง ลองนั่งแล้วโดยส่วนใหญ่ตอนนี้ได้ประมาณห้าสิบถึงหนึ่งชั่วโมงเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ได้ได้เห็นไ ด, ได้ได้มองเห็นเวทนาแล้วมองดูมันพอได้เจ้าค่ะพระอาจารย์แต่แต่มันยังมีความเขาเรียกว่าอาจจะเป็นกิเลสใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่อยากจะลุกอะค่ะพระอาจารย์อันนี้ยังยังเป็นปัญหาอยู่เจ้าค่ะอยากจะลุกอยากจะเปลี่ยนเิทยาบทเราจะได้เปลี่ยนเวทนา อยากจะให้เวทนาทุกขายไปเจ้าค่ะก็ต้องพยายามใช้สติพุดโทรบริกรรมไปมีความบริกรรมอย่างอื่นมันจะสวดนมนต์ลอยไปก็ได้ค่ะเมื่อยใจไม่ไปสนใจกับความเจ็บแล้วก็ปล่อยให้ความเจ็บไปอยู่มันของมันไปตามลำพังโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันค่ะเพราะว่าพอประมาณหน<ช>ึ่งชั่วโมงจะเริ่มมีอาการของเวทนาเข้ามาเจ้าค่ะ ก็อย่าเพิ่งลุกแลพยายามพื้นเป็นตนารงสติต่ อ, อไปอันนี้ถ้าเราอยากยาอ่ะพัฒนาอยากจะก้าวหน้าให้มีสติมีกําลังมากขึ้นก็ต้องพยายามสร้างสติขึ้นมาด้วยการบริกรรมมุทโธมุทโธนิสวนบนไปก็ได้อืถ้าดูลงมเฉยแล้วดูไม่ไหวมั น, มนก็มีบางทีก็เข้าไปดูเวทานาแล้ว ที่พระอาจารย์เคยบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรเวทนามันก็เป็นหนึ่งในขันที่มันเป็นฟังก์ชันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์พราะพิพจารณาอย่างนี้<ม>บางทีก็พอได้นะเจ้าค่ะว่า<ม>ว่ามันมันเป็นกระบวนการของการเกิดขึ้นของของธ<ม>าตุ<ม>ขันค่ะน้ำขันค่ะมันเป็นกระบวนการก็ก็พออยู่ได้เจ้าค่ะแต่แต่มันมันก็ยังมีความรู้สึกว่าอยากลุกก็เลย ยังยังไม่ได้ก็เลยต้องพยายามต่อไปจ้ะค่ะพระอาจารย์เวล า, ยาให้กำลังใจตัวเองปลอบใจในว่าถ้าเราอยู่กับทุกขเวทนาได้ต่อไปเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วอะไรเราก็จะไม่ทรมานจ้ะค่ะพอาจารย์วันนี้ขอโอกาสกลับเรียนขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยขยายความความเป็นอนิจจังอนัตตาของขันนะคะพระอาจารย์โดยเฉพาะ อ่าสังขารนะขันนะคะเจ้จาค่ะผู้อ่ายนิจจังแปลว่ามันเปลี่ยนแปลงไงมีการาเปลี่ยนความคิดของเราเนี้ยสังขารมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมคิดเรื่องนี้เราคิดเรื่องนั้นคิดเรานู้นเราคิดเรื่องอะไรมันแล้วแต่จะมาให้เรากระตุ้นให้ความคิดมันคิดแต่ก็คิดไปออันนี้ก็เรียกว่าเป็นอ น, นิจจังอนัตตาคือเราควบคุมมันได้แล้วปะ่ะบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้อเราไม่สามารถควบคุมมันได้ตลอดเวลา บางทีไม่อยากจะคิดก็คิดอยู่นั่นน้องร้องไห้กับเพราะความคิดนี่แหละค่ะกวธแค้งกับเพราะความคิดเนี่ยอคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธอยากจะหยุดก็หยุดคิดไม่ได้อมันเป็นอนัตตาแต่ถ้าเราฝึกเราฝึกสมาธินี่เราสามารถหยุดมันได้เป็นพักๆถ้าเรามีสติอสตินี่เป็นเครื่องที่เราสามารถควบคุมสังขารได้ เพราะสังขารนี่มันมันอยู่มันอยู่ในใจแล้วสติมันก็อยู่ในใจแต่เวทนานาี่เราควบคุมไม่ได้ว่ามันมาทางกายด้วยเวทนามันตามมาทางตาหงจ์ฉมบเนื้องกายเนรูปเสียงกลิน่นนันเราควบคุมไม่ได้นะคะแต่สังขารนี่ยมันเราควบคุมได้เป็นพักๆแต่ไม่ได้ตลอดเลยนะถึงเวลามันอยากจะคิดมันถึเวทนานมันก็ออกมาคิดสติแล้วอ่อนกําลังลงมันก็ออกมาคิดได้ แต่เราก็เวลามันคิดที่เรื่องที่ทําให้เราทุกข์มากแล้วก็ถ้าเรามีสติเราก็หยุดมันได้ก็คือการเข้าสมาธินี่ก็คือการหยุดความความคิดปรุงแต่งหยุดสังขารความคิดปรุงแต่งด้วยสติค่ะเ<า>พราะเพราะว่าลูกแต่ใ น, นที่สุดการปฏิบัติก็ต้องไม่ไปไ ม, ไม่ไม่ไปบังคับมันไม่ไปควบคุมเหมือนปล่อยให้มันคิดไปแต่เราจะสอนมันให้คิดไปในทางที่ไม่สร้างความทุกข์ให้กับเราได้อ๋อ มันก็มันคิดไปทางตายรักคิดไปในทางมันนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มันคิดไปในทางมันนิจจังสุ ข, ขังอนัตตาตอนนี้มันคิดไปในทางนิจจังสุ ข, ขังอนัตตาที่ว่า<ม>เป็นของที่ทแท้แน่นอนมีความสุขที่เราสามารถครอบคองควบคุมบังคับให้อยู่กับเราเป็นของเราไปได้เรื่อยๆแล้วค่ะพระอาจารย์จเจ้าคอย่างที่ลูกนั่งในระยะเวลาห้าสิบนาทีถึง หนึ่งชั่วโงอ่ะเจ้าค่ะบางทีลมหายใจหรือพุโทโธเอาไม่อยู่บางทีลูกก็มาพิจญณาบทวดสวดมนต์เจ้าค่ะที่บอกว่าเราเรายึดขันเอออะเราเราโดยว่าโดยย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกอย่างนี้เจ้าค่ะอย่างนี้ก็พอได้ใช่ไหมเจ้าคะมันก็อยู่ไปได้นะเจ้าค่ะได้ก็เลยปัญญาลงสมาธิใช้ปัญญามาค่ะ<ฆ>นั่นนะความความอยากความคิดที่อยากจะลุกขึ้นมันก็ใช้ปัญญามาค่ะ อันนี้อันนี้ก็พอได้เจ้าค่ะพอ <ừ. S 2> พอแบบบางทีความที่เป็นพยายามพูดโทรมันเอาไม่อยู่หรือว่าลมหายใจเอาไม่อยู่ก็จะมาพอดีลูกชอบสวดมนต์ก็เลยพอดีบทสวดมนต์ น, นี้มันตัดตึงใจอ่ะเจ้าค่ะว่าอาจารย์ว่าละ <ừ. S 2> ว, ว่าเดี๋ยวย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวตัวทุกอย่างเนี่ยเจ้าค่ะมันก็คิดพิจารณาไปด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ดีทําได้ก็ใช้ได้ เจ้าค่ะอ้าจารย์ค่ะกล่าวขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะวันนี้ลูกมีคําถามเพียงเท่านี้เ <c oughs> จ <ะ S 1> ้าค่ะขอบคุณอยังปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอยู่นะพยายามปฏิบัติทุกวันนะยังปฏิบัติต่อเนื่องแต่กล่าวเรียนพระอาจารย์เจ้าค่ะที่เคยกล่าวเรียนพระอาจารย์ว่าจะไปปีกวิเวกเป็นเป็นประจำอาจจะมีประเด็นนิดหน่อยคืออาจจะต้องซัพพอร์ตคุณพ่อคุณแม่เป็นหลักไปก่อนเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็แล้วแต่โอกาสก็แล้วแต่ ค่ะก็เลย<น>ก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าบางทีมันก็ทําให้ทุกข์ว่าถ้าไม่ไม่ได้ตามที่ตั้งใจก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าว่าตามโอกาสแล้วก็เราก็ยังมีความตั้งใจที่ปฏิบัติที่บ้านให้ได้เหมือนเราบวชอย่างเงี้ยเจ้าค่ะผู้อาจารย์มันก็ทําให้สบายใจขึ้นเจ้าค่ะผู้อาจญ์ทำเท่าที่เราทําได้เรืทางสายกตาคด<ะ>ึงเกินไปตั้งเป้ามากเกินไปทําไม่ได้มันก็เครียดขึ้นมา ใช่ค่ะลูกจะมีปัญหาคือชอบ<า>เรียวตัง้าางเป้าตัางง้งเป้าต่ำลงไปมันก็ทำให้ไม่ขึ้นหน้ามันขี้เกียจต้อง<ะ>ต้องรู้จักกำลังของเรารู้จักสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เราเกี่ยวข้องเรื่องว่ามันเอื้อมเงินตกเราได้มากน้อยเท่าไหร่ล้วก็ทำไปตามตามสภาพไปก่อน ก็ให้พอใจในกําลังปฏิบัติตัวเองแล้วก็สภาวะทำที่ตัวเองเป็นอยู่ใช่ไหมเจ้าขาพายะค่ะยังไม่ได้ขึ้นทางด่วนก็ต้องก็ต้องพอใจกับการขับรถอยู่ใต้ทางด่วนไปก่อนค่ะช้า้างติดนุ่งติดนี่มากแต่มันก็ไปแต่มันมันไม่มันไม่สะดวกรุ่นเดียวมันได้เวลาขึ้นทางด่วนเจ้าขาพา่ะเจ้าค่ะขึ้นทางด่วนก็คือไปปีกไม่เวมงอยู่คนเดียวเนี่ยขึ้นทางด่วนค่ะเจ้าค่ะ ถ้ามีโ อ, อก า, ก า, าสก็มีช่องทางที่จะขึ้นทางหน้นนั่นก็คนรจะขึ้นบ้างค่ะเจ้าค่ะอาจารย์บางทีมันอาจจะอาจจะเป็นเรื่องของกิเลสคอยอ้างคอยคอยห้ามเราไม่ให้ไปก็ได้หรยออ้างมน้านห้างคนนั้นอ้างคนนี้อะไต่างๆเราต้องใช้เหตุผลว่าถ้าเราไม่อยู่บ้างบางครัง้งบางคราวเขาไม่เหลือแล้วเราก็ไป้ากมากก็ได้เจ้าค่ะ แต่ถ้าเขาต้องเดื่อนร้อนเราต้องอยู่เขาจริงๆก็ไปไม่ได้ก็ไปไม่ได้อเราอยากเรายัายยางติมติมเติมอยู่กับความสุขของการอยู่บ้านก็ได้หรือไม่อยากจะไปอยู่ที่ที่เราไม่เคยไปอยู่เนาะค่ะอต่ถ้าเป็นทางปฏิบัตนินี้ต้องเป็นพวกเดินตายนอนที่ไหนก็ได้กินอะไรก็ได้แล้วแบบนั้น มันหาในในสนามลบใน่ยครับนอนนอนกอดปืนตรงไหนก็ได้อื <c oughs> กินอะไรก็ได้มีอะไรกินก็กินไป <c oughs> จริงจริงลึกๆยังยังติดอยู่ <c oughs> จริงๆเจ้าค่ะพระอาจารย์ความลําบากยังเลยขอลองคิดว่าไปอยู่ที่ที่แบบกันดานแล้วก็แบบไม่มีอาหารกินก็จิตลึกๆยังรับรับไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เจ้าค่ะพระอาจารย์นี้ยอมสลรภาพคจ้าค่มีอะไไม่ถูกปากของเราก็ได้ อาหารไม่ถูกป่ากเนี่ยพอได้เจ้าค่ะแต่แบบถ้าเป็นแบบอดอดอย่างยากอย่างนี้ยังยังทําใจไม่ได้เจ้าค่ะหวานจค่ะตอนฝึกเนี่ยเพราะการอดอยากขาดแย้งนี่มันเป็นตัวกระตุ้นความเพีินของเรากระตุ้นสติปัญญาของเราให้ทุกบ่มีปัญญาบ่เกิดค่ะอยู่อยู่สุขสบายมันก็ไม่ต้องคิดมันต้องใช้ปัญญาว่ามันสบายนค่ะอย่พอมันอยู่แบบอดอยาก่ังใจมังทุกข์ต้องใช้ปัญญามาแก้ อจริงๆความทุกข์ก็มีประโยชน์ใช่ไหมเจ้าค่ะว่าอาจารย์ได้พระอาจาย์ท่านหลายท่านไปอยู่อยู่กับป่ากับเขาทุ่นงในปา่าในเขาอยู่อยู่กับเตา อ, อยู่อยู่องเดียวค่ะหลวงปู่มั่นท่านไปอยู่กับชาวไปรินทบาลอาศาัยอาหารจากชาวเขาเขาอยู่บนในปา่าบนีเชียงใหม่อะไร่ ถ้าอยู่กับว่านนี่ญาติโยมาอาหารข้าวหวามาเพามเรียกไปหมด<笑><笑>กินไม่หวานไม่ไหวไปอเจอชาวเขาท่านบอกบางวันได้ได้ปลาล่าดิดมาใส่ปลาล่ดิดมาให้กับข้ามข้าวเหนียวอ mm hmm. ่านบอกปลาล่าดิบนี้พระฉันไม่ได้ uh huh. ต้องทำใมันสุกก่อนแล้วก uh ็เลยฉานข้าวเปล่าไประดับความหิวได้กินไป uh huh. แล้วมันกินมันทำให้กิน มันทําให้ไม่ไม่ไม่โมโอด้อวยเพราะมันไม่ได้กินมากเลยจ้าค่ะมันทำให้มันไม่เป็นนิวรนไม่ให้เกิด น, นิวรอนแต่ถ้าเจออาหารถูกปากถูกใจนี่โอ้กินแล้วหยุดไม่ไหวกินเลยไม่ทา้าทานอยู่เรื่อยๆกินเสร็จเข้ามาอ้อยท้องการหนําท้องตึงหนังตาเริ่มหย่อนน ะ, <_ S 2> ะแต่แต่จริงๆถ้าถ้าจริงๆหลัก ในการปฏิบัติคือถ้าหลังอาหารควรจะเดินใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ส่วนใหญ่ก็ต้องเดินก่อนแล้วแต่แล้วก็ลองนั่งดูไม่ได้ท่านั่งแล้วนั่งนั่งแล้วง่วงเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้เจอเจอเจอความง่วงเข้าไปแล้วหลังกินข้าวข้าเพลินก็เลยต้องหาวิธีใหม่เจ้าค่ะพระอาจารย์อาจจะเดินก่อนส่วนใหญ่เราจะเราจะนั่งไม่ได้ถ้าเพิ่งใช้ข้าวอีกมใหม่ๆค่ะโอเคนะไป กลาวขอพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะยังปฏิบัติต่อเนื่องเจ้าค่ะ <Okay. S 2> ค่ ะ, ะแม่น้องหลินแกนลาลัยยานครปฐมค่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าค่ะชัดเจนชัดเจนดีเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้มาฟังเจ้าค่ะโอเคไม่มีอะไรนะเจ้าค่ะโอเคไปได้คุณหมอภาคสนากําลังเดินทางไปไหนเนี่ย <c oughs> แต่เ น, นื้อไม้คัทสการ์ษาพระอาจารย์กําลังกลับกันพอดีวันนี้เต็มเตรียมพร้อมเพื่อจะไปเรียนหน้าเองค่ะอาจารย์กลับกลับนวดเองหรือเปล่าเนี่ยอะไรนีอ๋อไม่ค่ะอตอนนี้ให้ให้ใหอ้อให้เนี่ยวัดดีครับมารับลูกกับพระอาจารย์เพราะว่าเคลีย์ข่ะพระอาจารย์ค่ะก็ก็โอ้เวทนาพระอาจารย์ก็ที่พระอาจารย์ให้กาจรบ้านไปทำหกชั่วโมงใช่ไหมคะก็ตั้งใจทําแต่ว่าเพระอินดีมากเลยพระอาจารย์มีเวทนาโดยที่ยังไม่ต้องนั่งสมาธิพระอาจารย์ ก็พาสุนัขไปหาหมอให้ใช่ไหมไปทำหมันเสร็จแล้วก็พาเขาเดินเดินไปเดินมาแล้วเอ้เชือกมันหลุดนะคะอาจารย์ก็ตกคุกเขาโอ้โหไปทั้งครึ่งตัวพระอาจารย์เข่าเผอไปหมดเลยค่ะก็เลยเออตอนแรกก็ไม่กล้านั่งตอนแรกก็เอ้พอถึงจุดพระอาจารย์เอ้พระอาจารย์ให้เวทนาก็เลยนั่งไปเลยพระอาจารย์คือจริงๆเราเจ็บเข่ามากเลยเพราะมันกระแทกมันครูดไปค่ะก็เลยเออนะนั่งสัตยธรรมทีเท่เตั้งกลางคืนพระอาจารย์มันแปลกมากเลยพอนั่งเสร็จปุ๊บตอนนั่มันเจ็บนะคะแต่พอนั่งแล้วเราก็พิจารณาว่าของเราอจารย์มัน มันหายไปเลยแล้วมันก็ไม่เจ็บเลยนะพระอาจารย์ถึงตอนนี้ก็ไม่เจ็บเลยกลายเป็นแบบดีมากๆเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ไหลเลยอะไรก็แค่แบบยกขึ้นนิดหน่อยก็โอเคเดี๋ยวมันค่อยๆดีขึ้นพระอาจารย์แต่ว่ายังไม่ยังไม่นั่งหกชั่วโมงเลยว่าจารันนั่งเพราะมันมันมันเจ็บวุ่นนั่งเลยนะคือนั่งปุ๊บมันก็เจ็บเลยเพราะว่าเข่ามันถลองเยอะมากแล้ก็ก็ไม่กลัวพระอาจารย์นั่งได้แต่แต่เข้อสงคัญคือมันหายไปเลยอพระอาจารย์ตัวมันหายไปเลยแล้วมันก็หายเจ็บแล้วก็ออกมามันก็ไม่เจ็บพระอาจารย์ค่ะ อาดีจังเยก็ดีค่ะอย่าย่าไปทุกข์กับอยวไปทุกกับความเจ็บก็แล้วกันเวลามันมาก็อย่าไปทุกข์กับค่ะไม่ไม่ทูกค่ะพระอาจารย์เพราะมันไม่ใช่เราค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเดือนนะจะเดือนหน้าทั้งเดือนก็คงไม่ได้เข้านะคะพระอาจารย์เพราะเดี๋ยวเข้าอีกทีเดือนกันยาเพราะว่าเตรียมตัวไปก็จะเอาชุดไปสามชุดชุดนอนชุดหนึงหน้าฝนก็เดี๋ยวจะไปผัดผัดพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์มีอะไรแนะนําอีกไหมคะเดี๋ยวจะไปเดือนหนึ่งพยายามปฏิบัติให้มากตลอดตั้งตั้งแต่ตื่นจนหลับ จากนั้นฝึกสติตั้งแต่ตื่นจนหลับการควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดคิดให้น้อยที่สุดคิดเท่าที่จําเป็น น, น, นั่งให้มากนั่งให้จิตให้สงบให้นิ่งแล้วก็ถ้าระหว่างวันทํางานอะไก็ดูดูที่ใจไปเองใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือต้องดูว่าไม่มีอารมณ์เหมือนเดิมก็คือว่ามันสงบมันนิ่งไม่มีอารมณ์แล้วก็ ไ, ได้ก็ดูที่ร่างกายก็ได้ดูที่ร่างกาย ค่ะอาจารย์ก็ไม่มีอะไรเดียวเตรียมพร้อมทุกอย่างค่ะพระอาจารย์ <Okay. S 2> เดรียมร้อยก็คือเมื่อตอนนี้ไ ม, ไม่ไม่รู้สึกลัวไม่ไม่รู้สึกนั่นเลยคนะรู้สึกว่าดีมากเลยอ่ะก็พยายามทํางานเต็มที่แล้วก็เพื่อจะได้ไปสบายๆทั้งเดือนเดี๋ยวแต่ก่อนไปจะพาคุณพ่อไปไปไหว้พระอาจารย์อีกทีนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะผ่าเดือนหน้าแล้วกลับมาก็ค่อยไปเฝ้าคุณพ่อไปที่วัดพระอาจารย์นิคมที่ไหนใช่ค่ะไปว่าตัดสำนน้อยค่ะพระอาจารย์ก็เรียนกลางเรียนท่านเราไว้แล้วค่ะตั้งแต่คราวที่แล้วนู่นที่ไป ก็ไม่รู้ให้ที่ไหนก็ที่ไหนก็ได้พระอาจารย์ที่ไหนก็อยู่ได้หมดเลยโ <Okay. S 2> อเคดีค่ะคุณพาารอะาราาอาจารย์ใช่คุณนิสา JLA กลับนมัสการัางค่อาจารย์วันนี้รู้ไม่มีคําถามค่ะมาร่วมรับฟังค่ะพระอาจารย์ ย, ยังปฏิบัติอยู่ยังปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์ ก็ช่วงนี้ก็ที่เคยกล่าวเดืนพระอาจารย์ว่าช่วงนี้มันจะมีซัมเบอร์ก็จะมีคนครอบค้าก็จะมีแอคทิวิตี้ค่ะพระอาจารย์ลูกก็เลยต้องจัดปลรางเวลาใหม่อะค่ะต้องตื่นเช้าขึ้นหนึ่งชั่วโมงค่ ะ, ะอาจารย์ดีต้องก็จะปรับให้เข้ากับสภาพแาดล้อค่ะสงสัยลูกจะต้องค่ะสงสัยลูกจะต้อง เราต้องคลิปตารางแบบนี้ไปอาจจะเขารู้สึกว่าตื่นเช้าขึ้นมันดีคะ่ะอาจารย์มันสงบมากเลยค่ะาอาจอรารย์แล้วอาจอาจะนอนเร็วขึ้นกไไ็ได้ไแน่ค่ะอาจารย์พยายามแต่มันนอนเร็วไม่ค่อยได้เลยค่ะอาจารย์เพราะว่ า, ว า, ว า, วาตอนเย็นตอนกลางคืนช่วงนี้มันมีกัแบบมันมีคนมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์จะไม่ได้ก็แล้วไปค่ะอาจารย์แต่แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะชั่วโมงหนึ่งก็ ก็รู้สึกว่านอนอิ น, นะคะ่ะ แ, แรกๆอาจจะมีนิดนึงก็คือรู้สึกว่ามันเปลี่ยนปรับเวลาการนอนมันก็เลยแบบนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ก็ไม่รู้สึกอะไรคะ่ะแต่รู้สึกว่าตอนนี้จะชินละอยากเออต่อไปอาจะจะจะจะนอนร้อยลงนิดนึงก็ดีะค่ะอาจารย์รู้สึกว่าเออมันมันก็ตอนเช้ามันมันมันสงบกว่าตอนเย็นนะคะืะต้องลดลดลดตอนเย็นลงนะคะ่ะช่วงเย็นค่ะอาจารย์ พยายามเวลามาให้กับการปฏิบัติให้มากค่ะพระอาจารย์ค่ะลูกก็ลูกก็เน้นจเจริญสติระหว่างวันค่ะพระอาจารย์ช่วยได้เยอะเลยค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะพระอาจารย์ก็น้อมนําปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติบูชาค่ะพระอาจารย์ฝ่อยพระอาจารย์ท่าแขนแข็งแรงนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะมากๆแต่หมอวินชนบุดี ในมาสการค่ะข้าจะมีหนึ่งคำถามค่ะเ อ, อถ้าเราคิดว่าเ อ, อตอนนี้เราตายได้เลยไม่มีอะไรห่วงนี้เราปฏิบัติหมายถึงปฏิบัติก้าวหน้าขึ้นไหมคะก็เราคิดไปเองรึเปล่ามแบบันของคิดไปเอง <c oughs> มันอาจจะไม่ใช่เป็นมันอาจจะเป็นของหลอกก็ได้อืแล้วเราก็ยังเราอยู่แบบคนตายอยู่เลยถ้าเป็นตายจริง คนที่ข้างเราเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาไม่ต้องไปยุ่งกับเขาใช่ไม้มเราตายจริงรึเปล่าเวลาเราตาย ใ, ใครจะทําอะไรคนตายไม่ไม่เดือดร้อนใช่ไหมคนตายก็นอนอยู่นั่นอยู่เฉย อ, อคนเป็นเหตุการณ์หนักเกิดขึ้นถ้าเราตายเป็นเราก็ต้องเฉยเพราะเราไม่มีอะไรเป็นของเราแล้วเวลาเราตาย การเราก็ไม่ใช่แฟนของเราแะ้วเขาเป็นเขาก็เป็นคนคนหนึ่งเองเขจะทําอะไรก็เรื่องของเขาพอดีคิดว่าเอ๊ะเราไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดได้มันก็คิดได้แต่มันทําได้เปล่าความคิดกับการกระทำนี่มันอาจจะไม่ตรงกันก็ได้ก็เราไปเราไปอยู่คนเดียวหรือถ้าเราไม่มีอะไรต้องห่วงทําไมต้องอยู่ที่นั่นด้วยอ่ะอืม เราเราไปอยู่ที่ไหนคนเดียวไม่มีอะไรมีแดกที่อยู่อาศัยกุฏิของวัดอะไรแล้วก็เราเออกไปเดินในที่มืดๆที่อาจจะมีสิงสาราศัตว์อะไรให้มันกัดตายถ้าจะได้รู้ว่าเราตายจริงได้หรือเปล่ามันไม่ใช่แค่เราปล่อยวางจากเรื่องของคนอื่น ห่วงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวใช่ไหมคะมันก็เวลาตายลองดูคนตายก็มีอะไรบ้างว่าเขาไม่มีอะไรเขาไม่มีเขาไม่ยู่กับใครไม่กังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ร่างกายของเขาเองเขาก็ไม่กังวลเขาก็ไม่กลัวอะไรร่างกายเขาเข้าเตาเตาเผาเขาก็ไม่กลัวก็คือต้องท่าเฉยๆกับทุกอย่างได้นี่คือถือว่าถึงจะถือว่า โอเคใช่ไหมคะกอถ้าเฉยได้ก็ดีถ้าไม่ทุกข์กับอะไรได้กั็ดี mm hmm. แต่มันมันมันมันมั น, มนค่าๆว่าเราอยู่กับสภาพที่มันไม่มีเหตุการณ mm hmm. ์มาอมามาสะเทือนใจเราเราก็ยังไม่รู้ว่าเราเฉ้ mm hmm. ว่าเราจะเฉยไจ้จริงหรือเป่า mm hmm. ในบางทีเราก็ต้องไปทดสอบไปหาเหตุการณ์ที่มันสร้างความสะเทือนใจสร้างสร้างความ อ, อก อกสันขวัญแขวนขึ้นมาเราไปนอนป่าชา้าคืนอย่างไปหาที่ไหนในป่าช้านอนคนเดียวทั้งคืนอยูไปได้ไหมป่าชา้าต่คนเดียวอย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะนอนนอ <c oughs> น, น, นยังมีความกลัวเยอะเปล่า <c oughs> แล้วนั่งอยู่ในห้องแอร์ปรับระกาศเย็นสบายแล้วคินได้เราไม่กลัวแล้วไ่ะ <c oughs> <c oughs> มันต้องยืนดูสภาพที่มันบีบคั้นร่นางกายและจิตใจของเราแล้วดูว่าใจของเราจะนิ่งเฉยได้หรือเปล่าแต่ถ้าอยู่ในสภาพสบายๆมันก็นิ่งเฉยได้ตอนนี้อืเอ่ออันนี้พอดีคิดแค่ในแง่ของแบบเราไม่ได้ห่วงอะไรใครอะคร่ะอาจารย์แค่นั้นแหละมันก็เป็นความคิดไงอืมถ้าดัพิสูจน์อยู่ทั้งนั้นไม่ทีนี้เราไม่ห่วงแล้วก็ เราก็ยกให้คนอืน่นเขาไปนะนะาไม่ได้แม้แต่ถ้าเราไม่ห่วงถ้าเราไม่ห่วงไม่ห่วงนะแต่ว่าเราก็ยังมีหน้าที่อยู่ อ, อหน้าที่ก็ไปเกี่ยวกันอะไรกัสิ่งที่เราไม่ห่วงด้วยอคนเราเล่นกันไม่ใช่นะหน้าที่เราก็ทําไปสิ่งใหญ่ที่เราไม่จําเป็นต้องเอามาใช้กับหน้าที่เราเราก็ถ้าเราไม่ห่วงเราก็ยกให้คนอืน่นเขา ไ, นเาไปทาไปทําบุญถวายวัดเนิด อะไรไปบอยจากไปงั้นได้เก mm ่งว่าแต่สิ่งที่เราจำเป็นยังต้องใช้จริงๆกันของที่ไม่ใช่จำเป็นจริงๆอะถ้าเราไม่ข่วมันก็ไม่ขวนะ mm hmm. แล้วก็ยกให้คนอนื่นไป mm hmm. แล้วรลรงลองลองลองทดสอบดูมันต้องมันต้องมีเหตุการณ์ ที่มากระทบกระเทือนใจเราถึงจะรู้ว่าเราพวงหรือไม่หวงหวงหรือไม่ห่วงถ้าสภาวะทุกอย่างยังปกติอยู่มันก็มันก็ดูดู mm hmm. ปฏิกิริยาของเราดูกิเลสเราไม่ไดม้มันไม่มีเหตุการณ์ที่จะหีิบข้าให้กิเลสมันออกมาเต้น mm hmm. mm hmm. ต้องมีอะไรมาทดต้นเราบีบคันให้กิเลสมันออกมาลองดูสิว่าเราเราเฉยได้ไหมโ อ, โอเคนะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะโอเคในที่เท็กซัสคุณสุภาพดาเดนกลับนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะ วันนี้ลูกมีคำถามเจ้าค่ะว่าอะไรลูกเอ่อสังเกตลูกสังเกตจากเหตุการณ์ต่างๆที่มาเป็นบททดสอบอ่ะเจ้าค่ะก็คือกอยากขอพระอาจารย์เมตตาให้เทคนิคกับลูกก่อนเพราะว่าลูกสังเกตว่าเวลาอะไรมากระทบกับเราอย่างเรื่องสุขภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยลูกกับตัวลูกนะเจ้าค่ะลูกรู้สึกว่าลูกพอจะเอ่อ รู้ว่าจะจะคือมคือยังค่อนข้างจะเฉยอ่ะเจ้าค่ะคิดว่าตัวเองเฉยได้อ่ะเจ้าค่ะอย่างหมอให้ไปท ำ, น, น, ทำนู่นทํานี่ซีทีสแกนหรือเอ็มหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะลูกๆเฉยได้พอจะเฉยได้เพราะรู้แนวทางว่าเราจะต้องทํำยังไงแต่ทําไมพอเหตุการณ์เกิดกับสามีของลูกซึ่งน้อยกว่าเราเรากับวางใจไม่ได้อะเจ้าค่ะทําไมเรารักษาใจไม่ได้เหมือนกับรักษาใจให้กับตัวเองได้อ่ะเจ้าค่ะ แล้วลูกจะใช้เทคนิคอะไรเราจะตัวพ่ามากกว่ารักตัวเรานทาไมอ่ะเจ้าค้าลกไม่เข้าใจเพราะเรายังต้องอยู่กับเขาก็เด้ยังอยากให้เขาอยู่กับเราอยู่ถ้าเราอยู่คนเดียวได้เขาจะเป็นจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนนี่เรายังยังเป็นห่วงเป็นเป็นห่วงอยู่เพราะเรายังอยากจะอยู่กับเขาอยากใช้ให้เขาอยู่กับเราเจ้าค่ะอย่างย่งสมมุติ หลายเหตุการณ์แล้วลูกสังเกตไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เข้ามากระทบหรือหรือสภาพแวดล้อมอะไรอย่างวัตถุสิ่งของอะไรลูกพอวางได้แต่พอเห็นเขาแบบเห็นเขาแบบเศร้าหรือทุกข์ทำไมลูกยังวางใจไม่ได้อ่ะเจ้าคะทําไมลูกจะใช้เทคนิคอย่างไงอ่ะเจ้าคะที่จะจะไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้สึกเศร้าอ่ะเจ้าคะเราต้องมองเขาว่าเขาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรา อัจจะเป็นเพื่อนบ้านกันนั่นนไมาสายบ้านเดียวกันอยู่เจ้าค่ะแต่ดูต้องใช้ปัญญาตรงนั้นจ้าตาเขาเป็นร่หน้าตาเขาไม่มีตัวตนเราเป็นแค่ดินน้ำลมไฟนั่นรางกายของเขาเจ้าค่ะอย่างพอาจารย์สอนเสมอว่าร่างกายเหมือนลูกระเบิดลูกพอละลูกนั่งแล้วเวทนาหรือลูกการฝึกของลูกทำให้ลูกเห็นมากขึ้นสำหรับตัวเอง แต่พอเจอกับเขาลูกวางใจไม่ได้นะั่นคือปัญหาเจ้าค่ะทําไมลูกไม่สามารถรักษาใจของตัวเองให้เป็นอุเบกขาได้ในเรื่องของเขาอ่ะเจ้าค่ะเนี่ยเราไมาพิจารณาร่างกายขเขาเลยเราพิจารณาแต่ร่างกายเราพระเจ้าบอกให้พิจารณาร่างกายเราแล้วก็พิจารณาร่างกายคนอื่นด้วยว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายก็หมายเขาลูกต้องลูกต้องฝึก เพิ่มมากขึ้นไหมคือตัวเองเขาก็ตัวเขาพร้อมกันพร้อมกันเห็นเขาว่าเขาเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอะไรเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันแล้วทุกครั้งที่ลูกแบบมองเขาอย่างเงี้ยเวลาแบบเห็นเขาเศร้าลูกรู้สึกว่าสงสารเขาตรงที่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะต้องมีเครื่องมืออะไรที่จะพยุงตัวเองไม่ให้ใจทุกข์ก็เจ้าค่ะเพราะลูกคิดแบบนั้นแล้วลูกก็ลูกก็เลยจิตลูกของเลยก็เลย ค่อน ข, ข้างจะตกลงมาอุเบกขาเลยไม่ค่อยมีตรงเนี้ยเพราะเขาไม่เขาไม่มีเครื่องไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงอะเจ้าค่ะลูกสงสารเขาตรงเนี้ยเจ้าค่ะก็ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องของของกรรมของเขาเขาไม่มีความสามารถที่จะหยับความทุกข์ของเขาได้อืเพราะเขาไม่สนใจที่จะศึกษาอืวิธีอื เออรตงสอนเขาสิเวลาก็ทุกข์ว่า YouTube เพราะว่าเพราาะว่อยู่อย่างได้ อ, อะไรสักอย่างนพอไม่ได้อยู่ก็เลยทุกข์ถ้าสอนก็สอนถาสอไม่ได้ก็<ะ>ย้อนพอดีก็อยา่าไปสอนก็เลยถ้าเขาไม่ถามเดียวก็จะหาว่าไปยุ่งกับชีวิตวเขาเองในก้าวไกล ช, ชีวิตเขาเองก็ต้องปล่อยไว้เป็นตามมุนตามกรรมไป เรามีการเป็นของของตนจะทํากรรมบันไดไว้ดีหรือเชื่อก็อจะต้องเป็นผู้รับผลโยงกรรมนั้นความทุกข์เขาเข้าเกิจากกิเลสของเขา่คุยง่ายๆแล้วเขาไม่ศึกษาวิธีกําจัดกิเลสของเขาเขาก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วกิเลสของเราก็มีเี่ยเราก็ไปทุกข์กับเขาเพราะเราไม่เราเราก็ไม่กาจัดแล้วก็ต้องดูเสร็จแล้วทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเราอยากไม่ให้เขา ทุกเพาะไม่เพราะเพรอยากไม่ให้เขาทุกข์ใช่ไหมใช่จังเ่ยแล้วเราห้ามเขได้แบบแล้วทําให้เขาไม่ทุกข์ได้แบบลูบกแบบลูกแบบเอ๊ะทาไมพออะไรมากระทบกับเราเรายังพอรักษาใจได้แต่ทํำไมเกิดกับเขาลูกแบบออืมันยากเหลือเกินทําไมเราถึงต้องไปทุกข์กับเขาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็เลยลเยกลูกจะพยายามอยากให้เขาหายทุกข์อยากให้เขาไม่ทุกข์ เชค่ะพระอาจารยเมื่อกี้เอ่อคุณอ้อมมีคําถามทําให้ลูกคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าจะเอ่อถ้าอย่างนี้ท่านพระโสดาบันจะต้องไม่เอ่อต้องไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายหรือควา ม, <ผ>มเจ็บปวดของทุกคนเลยทำไมจะเลยเหมือนกันหมดร่างกายมันเหมือนกันหมดออร่างกายของเราทุกคนนี่เหมือนกันหมดร่ากายสาริซ้อเคยแก่เจ็บตายดินน้าลมไฟเหมือนกันหมดต่างกันแค่รูปร่างหน้าตาท่านนี่ ส่วนประกอบธรรมชาติความเป็นไปของวันนี้กันหมดทุกคนออือก็แปลว่าถ้าจะพยายามฝึกเพื่อที่จะบรรลุ ก, ก็ต้องให้เข้าใจตรงนี้แท้จริงทั้งตัวเองและของคนอื่นด้วยโดยที่จะไม่ต้องทุกข์กับจะสอนให้พิจารณากายในก็คือร่างกายเรากายนอกก็คือร่างกายของคนอื่นลูกเจ้าค่ะลูกอาจจะ แบบโฟกัสกับตัวเองมากเกินไปเลยไม่ได้ไปองคนอืไม่มองคนอื่นไม่ได้มองคนอื่นคนอื่นก็เหมือนการร่างกายของคนอื่นกร่างกายของเราเหมือนกระแต๊ะเลยเหมือนกับเป็นฟ้าแฝดเลยูหรือว่าใจลูกพยายามไม่ไม่อยากมองเองอะเจ้าคะบางทีลูกก็อยากมองเขาเป็นเหมือนกระดูกแต่พอจะมองลูกเหมือนกับใจของลูกมันยังต้านอะว่าไม่อยากไม่อยากเห็นเขาเป็นอสุภะเุดมองตัวเอง ก็แต่เห็นว่าเราสุภาพก็นอนเขาไม่ได้เอาไปจะอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่ามีกันแค่สองคนเห็นปะมันแบบก็พยายามแบบเออพยายามมองเขาไปแต่มองเราตัวเราเนี่ยเป็นกระดูกเวลานั่งก็เป็นกระดูก <S 1> <S 1> <S อะไรก็เป็นกระดูกแต่พอดูเขาเนี่ยมันมันมันพลุกเปลี่ยนทันทีเจ้าค่ะคื อ, นนอไม่ไม็ดไม่เป็นกระดูกไม่เป็นอะไรเลยเจ้าค่ะลุงบอกพ่อตรงนี้ดูว่าเขาเจ็บก็ตายก็าหรมดว่าเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเขาหอม เจ้าค่ะลูกจะพยายามฝึกตรงนี้เจ้าค่ะฝึกทั้งตัวเองแล้วก็ฝึกฝึกให้มองบุคคลอื่นด้วยเจ้าค่ะเราต้อื่นเขาเขาต้องแก่อย่างนั้นกาต้องเจ็บอย่างไงเขาก็ต้องเจ็บอย่างนั้นการต้องตายอย่างไงเขาก็ต้องตายเหมือนกันยิ่งแต่ว่าใครจะไปก่อนไปหลังเก็บก่อนเจ็บหลังเท่านี้เจ้าค่ะ เจ้าค่ะทำไปงงกับตัวเองแล้วค่าว่าไอ้ไม่ใจเรามันยอมรับยากเหลือเกินตรงนี้รู้จะพยายาร่างกายเขาพยายามพยายามจะพยายามเจ้าค่ะจะเริ่มเริ่มจะเริกคิดว่าเราจะต้องเริ่มเริ่มแล้วจะสารเรื่องที่เจ้าหน้ามาเกินเจ้าค่ะพี่เลนไม่ยอมให้เราคิดว่าเรารักเราห่วงร่างกายเขาเลยไม่อยากจะยอมรับความจริงของร่างกายเขาเพาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกัน เจ้าค่ะตรงนี้ลูกเห็นแล้วเจ้าค่ะว่าจุดอ่อนของลูกเพราะว่าลูกเห็นว่าใจมันกระเพื่อมทุกครั้งที่มีเหตุการณ์เข้ามาถึงเขาแต่ว่าเจ้าค่ะตัวเรายังพอแบบพอรักษาแต่พอเหตุการณ์เข้ามาถึงเขาลูกดันทุกไปด้วยอ่ะเจ้าค่ะมันมันไม่ได้อ่ะเจ้าค่ะไม่อยากให้มันเกิดเขาใช่เจ้าค่ะไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือตัณหาเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกจะพยายามฝึก ฝึกต่อเจ้าค่ะปึดไปเรื่อยๆเจ้าค่ะ จ, จะได้ เ, เพราะว่านะจะได้เอาบ้างายาวแต่กายในยาวแต่กายเราเอากายคนคนอื่นด้วยไอ้คืออนไรกันเราจะคิดเราตายคนเดียวคนอื่นไม่ตายคนอื่นไม่เจ็บอุจาจารียท่านฉลาดมากนะท่านสอนให้พิจารณากายของเราแล้วก็พิจารณากายของอื่นแล้วให้พิจารณาพร้อมๆกันเลย นั่งกายของเขานั่งกายของเราเนี่ยเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างผู้จัดพูดขับเลยเจ้าค่ะจริงๆเค่ะลูกพิจารณาแ ต, ตัวเองจริงๆเ จ, ๆจ้าค่ะถึงเวลาก็พิจารณานั่งทนเวทนาเหตพยายามรึกษาทุกอย่างเท่าตัวเองหมดเจ้าค่ะแต่ของออคนใกล้ตัวคนรักกับมงค์ เ, เลยทาให้เร า, ายัางทุกอยู่เจ้าค่ะไม่รอบครอบเจ้าค่ะฉลาแต่ไม่เฉลียว แผลไัยใกล้ตัวเจ้าค่ะไม่สามารถรักษาใจได้โอ๊ยตลบไว้เลเจ้าค่ะเหมือนเหมือนอะไรอเส้นผมบางภูเขาบอกว่ากับตัวเองพยายามฝึกแต่ว่ากับคนใกล้ตัวพลาดเจ้าค่ะเลยงงกับตัวเองว่าไอ้ทาไมเราทําใจไม่ได้สักทีเหตุเหตุหลายเหตุการณ์แล้วเจ้าค่ะพอทดสอบหลายเหตุการณ์เป็พิจารณาทางกายกอน ก็ง่ายง่ายง่ายง่ายๆแต่ไปไม่เก่งอืมกูไม่เล่นไม่กีเล่นมันก็เก่งนมันรอให้เราคิดว่าเราเก่งนะเก่งในเรื่องของเราแต่พอเป็นถึงเรื่องคนอื่นนี่กลับตกมาตายหอมเจ้าค่ะเจ้าค่ะรู้เข้าใจเราเจ้าค่ะจะพยายามทั้งตัวเองและของคนอื่นเจ้าค่ะโดยเฉพาะคนคนใกล้ตัวที่รักนั่นยิ่คนที่เรารักเนี่ย โอเคนะเจ้าค่ะบขอบพระคุณเจ้าค่ะอน้องนำคำสอนเจ้าค่ะอาจคุณสุภาฒนาบอเวนชนวลนีกล่าวมาสการพระอาจารย์ด้วค่ะวันนี้เข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็มารวมฟังธรรมด้วยค่ะมีมีคำ<ม>ถามมีถามเงเออโยมโยมจะขออนุญาตถามว่า อย่างอย่างเวลาเราไปข้างนอกเนี่ยค่ะเราเราเรามองเรามองเหมือนมองข้างหน้าแต่ข้างๆรอบข้างเราก็มีคนมีคนเยอะแยะมากมายแต่เราเหมือนเรามองไม่เห็นเจ้าค่ะพระอาจารย์มันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ไปมองเขาหรือว่าจิตเรามันไม่ได้ไปส่งออกไปอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าเรามีสติให้อยู่แต่บังคับจิตให้มันอยู่แต่เฉพาะหน้าเฉพาะนี่ยอันนี้อัน น, น, นี้อันนี้ถูกหรือผิดเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้า ถ้าสิ่งรอบข้างเรามันไม่ใน่เป็นพิ้นเป็นภัยกับ เ, เราก็ก็อยู่เราก็ต้องรอบขคอบอาจจะต้องรู้บ้างแต่รู้แบบปป๊บเดียวรู้ว่าไม่มีอะไรใช่ไหมรู่แบบโดยโดส่วนใหญ่แล้วก็จะโฟกัสอยู่ตรงข้างหน้าเราก็ค่ะอย่างวันนั้นอย่างวันนั้นเข้าไปเข้าไปซื้อของที่โลตัสก็ ค, คือเราก็ไปไปมุ่งไปตรงที่เราจะไปซื้อต่มองแต่แต่อข้างข้างๆตัวรอบๆอ บ, อบตัวเราไม่ได้มองเหมือนมองไม่เห็น คือมันมีมันมีอยู่เรารู้ว่ามันมีอยู่แต่เราเราไม่ได้มองมันเลยก็คือต้องมองว่าว่ามันมันมันเป็นอันตรายหรือเปล่าหรือว่าเราจะไปอะไรหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่มีอะไรเราก็ไม่ต้องไปสนใจเจ้าค่ะสนใจแต่เฉพาะทางที่เราเดินอยู่ข้างหน้าเราเจ้าค่ะสิ่งที่เรากำลังทําอยู่กับร่างกลายเราเป็นนลัเจ้าค่ะ แต่วันนั้นมันมันไม่ได้ว่าไ ม, ไม่ไม่ได้ว่าตั้งใจว่าจะทำแต่แบบเหมือนกับว่ามันเป็นไปโดยอัตโนมัติจ้าพระพจ้าอันนี้โยมโยมก็พยายามทําในเรื่องของการฝึกสติอาจจะมีเผลอบ้างก็ก็เห็นอย่างที่พระอาจารย์สอนว่าความคิดเนี่ยจะทําให้เราเรากระทําหรือเราทางกายทางวาจาเนี่ยไปตามความคิดโยมโยมเห็นตรงนั้นแล้วตอนนี้โยมก็พยายามเหมือนกับคอยคอยบอกตัวเอง อไหนที่มันไม่ไม่ควรจะพูดออกไปไม่ควรจะทําออกไปก็พยายามระมัดระวังเจ้าค่ะเอาคิดก่อนพูดเจ้าค่ะก่อนเจ้อกอเราจะพูดเราเป็นเจ้านายของคําพูดเราแต่เราพูดไปแล้วมันจะเป็นเจ้านายเราเจ้าค่ะก็พยายามเอามามายัง้งอยาปกติจะเป็นคนคิดยังไงพูดอย่างนั้นแต่ตอนนี้ก็คือพูดคิดก่อนพิจารณาก่อนไปก่อนเจ้ค่ะ พูดดีไหมพูดแล้วมีพิษมีภายมีมีเรื่องมีราวก็อย่าพูดดีกว่าก็เอาตัวยอมหยุดเย็นของอาจารย์ก็มามาประกอบการอย่างนี้ถูกแล้วนะจ๊ะอาจารย์ยอมหยุดเย็นได้ดีที่สุดก็ค่ะโอเคนะก็ค่ะสาูุเจค่ะขอบคุณเจ้าค่ะที่เชียงลายคนเอก เน่เดน้องการมั ส, สการพระอาจารย์ครับอืมอ น, นี่พักยังไงมาพักกัาพา้าหายไปอ้น่าัสวัสดีบริวารอากาศมันร้อนครับพระอาจารย์ครับผมวันนี้เข้ามาร่วมรับฟังครับพระอาจารย์ยู่อำเภอไหนนะเชียงราย เออผมอยู่อมเออเชียงแสนครับอาจารย์เชียงแสนอยู่ติดกับลาวเหรอไม่ติดอ่าอมเออเชียงแสนติดกับลาวครับอสามเดี่ยมทองคํำครับพระอาจารย์ครับตรแม่น้ําของมีแม่น้ำคงข้ามอยู่ใช่ไหมงั้นเชียงแสนก็ต้องติดกับเชียงของเชียงของก็ใต้ลงมาหน่อยใช่ไหมครับผมติดกันครับพระอาจารย์ครัติดเชียงของติดแม่สายครับครับผมเคสมัยที่ยังไม่ได้บวชเคยไปที่หลวงพ่อบางหลจงจากหลวงพ่อบางก็งั่งเครื่องลงมา ตรงที่หมู่บ้านเอ่ชื่ออะไรมันซ้ำอยู่ติดชายแดนชายแดนของไทยข้ามนั่งเหรือข้ามแม่น้ําของเขามาข้าเชียงของห้วยทร<อ>ายหรือบ้านห้วยทรายอ๋อใช่ครับห้วยทราครับบ้านห้วยทรายเดี๋ยวนี้มีมีสะพานะพานะมีสะพานข้ามที่ ท, ที่เชียงของครับเ๋ไม่ต้องนั่งเรือแล้วถ้าผมเดี๋ยวนี้มีสะพานาแล้วสะพานข้ามไทยแล้วเนี่ยนะสะพานมิตรภาพก็ มีอีกอีกแห่งหนึ่งก็จะมีที่ที่เชียงแสนอยู่ครับกําลังหาจุดอยู่ครับอาจารย์มันเป็นมีแผนอยู่ครับสามเหลี่ยมทองคำนั่นใช่ไหมครับใกล้ใกล้ใกล้ๆสามเหลี่ยมทองคําล้วก็จะมีสะพารขึ้นใหม่่ิน่งกับอีกอีกพบคุยกันนะแต่คุยก็ไม่รู้ว่าตรงจุดไหนครับผมอบไอ้ตรงสามเหลี่ยมทองคำตรง ท, ง ท, งที่ที่เชียงแสนนี่มันมีจุดที่คนจะไปกันข้ามกันไปใช่ไหมมีจุดหรือเปล่าหรือไม่ข้ามในาจุดด้วยกันครับมีมีจุด จุดผ่อนปลนที่ให้ข้ามได้อยู่ครับอาจารย์ครับรบข้ามเอจะมีที่จุดผ่อนปลที่สํามเหลีของคําพอดีครับอาจารย์ยังก็ล่องเรืออยู่ไม่มีไม่มีไม่ ม, ม, มีรถเชื่อมไม่มีสะพานใช่ครับผมกําลังเห็น ม, มีแผนอยู่ครับมีแผนที่จะสร้างสะพานอยู่ครับอาจารย์ครับอืบมันเขามีโครงการจะให้ไปเมืองจีนอะไรนี่อะหรรถไฟอะไรรถเชื่อมหราอรถราง แต่ว่าแต่ว่าเลยรถไฟนี้มันจะผ่านทางชิงของครับอาจารย์ครับเอ่าไปชิงของไม่ผ่านไม่านไมานทางแสนครับไม่ได้มากิงแสนครับอาจารย์ครับอ่าผมขอไปด้วยนะน้ํำน้ำบินไปอ๋อเปลี่ยนไลน์เปลี่ยนรถเปลี่ยนชาติอ๋อครับผมก็ผมก็เพียรปฏิบัติอยู่ครับอาจารย์ครับก็ถือนี่สัญชีกับอาจารย์อันแสนี้ก็ตั้งเป้าไว้อยู่ครับก็ รู้วจะรูปเป้าหรือเปล่าก็าาทุกวันภายคทุกวันภาคยังไงทุกวันภาคควับอาจารย์ครับนี่นไม่ไม่ตั้งเป้ามันก็ไม่ได้ทางงํานำทุกอย่างต้องตั้งเป้าครับผมนี่อธิษฐ<ร> า, านตั้งเป้าเพืออธิษฐานแล้วก็มีสัจจะมีความจริงใจไม่ล้มเหนีวไม่เปลี่ยนใจครับแล้วก็มีความเพียรวิริยะน้ขันติพระหมดตนเนี่ยนี่สี่ข้อที่จะเป็นตัวทางด้านการปฏิบัติของเรา คืออธิษฐานสัจจะวิริยะขันติบาลเมซีตัวนี้เป็นบาลเมื่อที่ทจะลักดันการปฏิบัติขึ้นมาครับผมครับผมครับตั้งเป้าไว้คุณนี่กันจะใกล้กลเขา้าพรรษาแล้วทุกคนเขา้าปรรษาที่จะทําอะไรเป็นพิเศษกันบ้างจะใส่บาต ท, ทุกวันไม่ว่าจะรักษาศีนทุกวันรักษาศีนแปดในวันพระหรืออะไรก็ตั้งเป้าไว้มันจะได้ทำเลย ปล่อยให้มันทตามอตามอารมณ์ถ้าตามอารมณ์แล้วมันก็ทําบ้างไม่ทาบ้างครับผมครับผมครับครับครับบน้องนำไปปฏิบัติครับพระอาจารย์ครับพระสงฆ์เจ้าท่านเองต้องตั้งสัจจารถิฐานจะอยู่ในในอว่านี้ตลอดระยะเวลาสามเดือนด้วยกันครับผมไม่ไปไม่ไปจาริกไปที่ไหนยกเว้นถ้ามีเหตุจําเป็นก็ไปไม่เกินเจดคืนเจ็ดวันก็ต้องกลับ ครับครับผมโอเคนะครับผมครับราะ้าถันพระจานร์ถึงแรงครับผมครตอน้องน้อไปปฏิบัติครับผมครับอยากชวนน้องแนนคุณแนที่สุดพาอ่ารับราชกาค่ะพระอาจารย์ค่ะไม่เห็นมาแถวนี้เลยหมุนมาบ้างหรือ่าไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปเลยอยากไปากแต่ว่าปัจจัยยังไม่พร้อมค่ะแต่ว่าชาก็ ไปใส่บาทปาทตาบัญจิงนะคะเป็นงานครบรอบวันมรณภาพหลวงปู่หินนะไอหลวงปู่ถินเลยค่ะก็ได้กล่าวหลวงพ่อสัธรรมและก็หลวงพ่อบุญนี่ด้วยค่ะอยกไปมากๆนะคะบัญจิงที่อยู่ใกล้สนามบินใช่ไหมใช่เจ้าค่ะขอพระอาจารย์ท่ากกันแข็งแรงนะคะขอบพรคุณพระอาจารย์มากๆนะคะสาติคุณที่คุณชิประวัน u s a อสเอไอโยม พยายามทำสมาธิให้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะส่วนดูจิตดูใจก็มีวิหารธรรมจากพระอาจารย์แล้วก็คณะญาตยโมของพระอาจารย์ที่นี่เป็นหลักก็ชีวิตอยู่ง่ายขึ้นแล้วก็สติดีขึ้นค่ะอย่างก็ย ดียินดีที่ได้รับได้ได้ฝังว่ามีการพัฒนาพัฒนาการอปัจจัยสิ่งนี้ให้มันมักน้อยสันโดษมันจะได้มีภาระน้อยลงที่เราจะต้องมาคอยขังวลทำไมัน ก, นไมกน้อยสันโดษพออยู่พอกินไปวันวันหนึน่งชีวิตเดี๋ยวก็ตายกนะันแล้วเลยมัน้องกับความราู้ละอะไรนะต่างบางคนสร้างบ้านเองเป็นสวรรค์ไม่มาก สร้างสวรรค์ในใจเราในการด้วยการทำบุญในการรักษาสี่ง น, นั้นหละสวรรค์สวรรค์วิมานที่แท้จริงส่วนสร้างบ้านใหญ่โตโมโหลาเนี่มันเป็ น, นมันไม่ได้เป็นสวรรค์หรอกมันเป็นนรกมันมันต้องทุกข์กับต้องคอยดูแลรักษามันให้เจ้าค่ะขอบคุณมากเจ้าค่ะคังก็ยังเข้มงวดกับตนเองอยู่ค่ะเพิ่มแคเล็กน้อยค่ะ มันใจัสี่ต้อมากน้อยสัมยนะดีที่สุดชาวพุณเราต้องอยู่แบบเรียบได้อย่าไปหลงกับแบรนด์เนมของหรูหาของแองแพ ง, แพงมันก็เสื้อผ้าเหมือนกันแหละใช่ไหมกระเป๋ากระเป๋าเหมือนกันติดไปอันหนึ่งโลโก้อันหนึ่งการของแพงขึ้นมาทันทีโอเคไปที่คนมีอะไรไหมไม่มีแล้ คุณกาแฟกาฟก็โกชวรลาดานอีกมสการ์ครับครับก็คนรอบข้างก็เหมือนมีคนพานเยอะครับแต่ว่าเราก็ตั้งหลักได้เราแบบว่ามีจิตใจตั้งมั่นเหมือนเทพระจารย์เทศให้ไว้ว่าต้องครบบัณฑิตหรือว่าคบคนที่เก่งกว่า แล้วก็ไม่คบคนที่พาเราไปเสียถึงเข้านอกมีปัญหาก๊อฟก็รู้สึกว่าตั้งหลักได้แล้วก็มีจิตใจที่แบบว่ามันมันคงครับมั่นคงครับแล้วก็อย่าให้คนที่เขาลากเรไปในทางที่ไม่ดีคบได้รู้จักกันได้แต่ถ้าเขาจะเลินมาไปในทางที่ไม่ดีด ก, ก, ดดก็ต้องปฏิเสธครับก็มัน่นคงแล้วก็กมเมือ่อกันก็ นั่งดู อ, อที่ใส่กระดูกครับคือผมจะคิดถึงความตายเนี้ยแต่ผมคิดว่ามันเป็นกิเลสหรือเปล่าแต่ว่าเออที่ไก่กระดูกมาสวยดีเท่ามาตั้งบางทีมันก็ซื้อมามันอาจจะไม่ได้จําเป็นนยครับแต่ก็นึกถึงความตายอยู่บ่อยๆครับแล้วก็ตื่นมาในใจนี่ก็คือจะบริกรรมพุทโทธทั้งหมดสังโฆไว้กากับใจครับแล้วก็ส่วนบุญกุศลเนี่ยคือ การให้ทานนึ่คือท่านบอกว่ามี40แบบถวายของ 40-50 อย่างเคยทํำมาหมดแล้วสร้างเจดีก็สร้างมากับทั่วประเทศแล้วแต่ว่าที่ขาดก็คือว่าการทําใจให้สงบครับ<ม>เพราะว่าช<ม>่วงนี้งานเยอะครับ<ม>ก็ต้องเข้าหาครับ้าทำใจให้สงบไระอาจก็ทําบุญทําทานไปก่อนทําได้อ่าทาบุญทําทานคือมั น, มนไม่ค่อยมันอิ่มแล้วครับมันอิ่มพอสมควรแล้วครับพาา้าจารย ไม่พอหรอกถ้ายังมีเงินทาได้ก็ต้องทำต่อกิเลสมันชอบหลอกเราเป็นกิเลสเหรอถ้อถ้ายังเพราะทําใจท่านบอกภาวนาไม่ได้ก็ต้องทำบุญทําทานแทนไปก่อนอมันไม่ไม่ใช่ภาวนาแต่ว่ามันเหมือนภาวนาเหมือนเหมือนเครื่องร้างของสังแล้วก็ไม่ได้พกเราแค่พกแบบว่าความมั่นคงในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ครับมันเหมือนเป็นกําลังที่อยู่ข้างในเหมือนเป็นการอธิฐานในครอบภุม ว่าแ่บให้ใจเรามั่นคงเราไม่หวันไหวครับอืมทำต่อไปใช่ไหมครับอืมีต้องทําน้องอื่เยอะมีเยอะต้องทำเยอะใช่ไหมวันพ้านี่เราไปถึงเซนแปดอยู่วันหนึ่ง ว, วันเดียวเนี่ยผมคืองานงานเยอะมากเลยผมไม่เวลาเดี๋ยวผมจะต้ต้องมีวันหยุดบ้างเลยมันมันจะไม่ทำทุกวันตายไปแล้วอะไรไปได้บ้างสมบัตเข้าของเงินทอง ครับผมไคิดถึงความตายบ้างเลยตายไปแล้วสมสมบัติอนนี้เป็นของใครไปใช่ตอนน<ม>ี้ชดวนหมดเลยครับของที่เรามีอตอนนี้คนตายไปคนหนึ่งเขก็ยิ้มหวานเลเอามาให้เขาใช้ บ, า, บายๆครับของก็มีไว้พอสมควรครับไม่ไมีเราไว้เว<ม>ลาเวลาตายต้องไม่มีอะไรเลยให้ใรได้เลยได้มาเอาเลยไม่ได้เอาประโยชน์จากเราเลย ถึงได้ได้เรีว่าเราเก่งเขาปักเขาปักคุณครับอาจานย์ก็ใช่ไหมหนะไปเยอะๆเลยที่ไงคนหนึ่นงเขไม่อย่างสบายไปเลยคนหนึ่งเขไม่ต้องทําอะไรมาแท่กว่าหยิบไปใช้ได้เลยใช่ตอนนี้แบบว่าเหมือนเครื่องอะไรก็สมสะสมมาเยอะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ห้อยอเก็เหมือนพระอาจารพูดครับเอ่อก็ต้องไปเราพิจารณาใหม่ครับอืม ลองแบบอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรเหลือเฟื่อเกินความจําเป็นเราเท่าที่จําเป็นมีของเท่าที่จําเป็นทั้งพอครับทุกวันนี้มันเราก็ไม่ได้อยากซื้ออะไรมากมายที่ไม่ความสวยครับอืมครับหาเวลาไปปฏิบัติเหมือนพิลาบ้างครับอลองตั้งสติว่าพรรษานี้วันพระหยุดวันพระทางานทั้งวันนึงไปอยู่วันอืมอยืดตึงแาดไปภาวนาะหนึ่งวันกันหนึ่งคืนดูครับ นะแต่เมื่อมันไม่เจ้าหน้านะมันเราปล่อยให้เป็นไปเหตุารย์นี้มันเหตุการณ์มันก็จะมีแต่ ง, งานเข้ามาเยอะยิ่งงานเข้ามาเยอะยิ่งดีใจใได้ได้ไดเยอะใหญ่ยิ่งทํางานใหญ่เลยมันมันก็รับผิดชอบแนละ้วเดี๋ยวไปคนนน้นเรียกให้เอที่ดินเรียกให้ไปเราก็เป็นรับผิดชอบเราแบบเรารับผิดชอบงานมากกว่าแต่ว่าเรานึงคิดถึงตัวเองเอเวลาเราทุกมีใครเข้ามารับผิดชอบให้กับเราหรือเปล่าครับไม่มีครับ ครับจะน้อมนําไปปฏิบัติครับอาจารย์โอเคสาธุขอบคุณครับไปที่แคนซัสคุณยินดีเป็นไงเดวิตไปทํางานหรือเปล่านี้ไปทํางานค่ะท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเ mm hmm. ช้านี้ก่อนไปเขาก็บอกว่าให้ฝากกลับท่านพร ะ, า อ, อ, ะาอาจารย์บอยซองเต้ค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ส่วนหนูไม่มีคําถามค่ะท่านอาจารย์ล mm hmm. องปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะลองต่อไปนะค่ะ ค่ะท่านอาจารย์ถัดไปแล้วก็เรียนรู้จากท่านกัลยาณมีทุกท่านกันในห้องมีประโยชน์ครัอาจารย์ขอบพระคุณท่านอาจารย์อางสูงค่ะอ่ามาที่น้โมแล้วหน้โมใครเป็นใครเป็นโรคอะไรต้องใส่หน้ากากของคู่เลยไม่ไม่ค่อยสบายครับท่านอาจารย์ครับาวนี้คำว่าไข้เลือดออกกําลังระบาดที่กรุงเทพเนี่ยไม่น่าใช้ไข้เลือดออกครับผมอาจารย์แล้วก็ ก็ไม่ไม่ค่อยสบายแล้วคุณยายบอกอยากเข้าซูมมากทำยังไงดี <ละ S 1> ผมที่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะเข้าซูมได้สุดท้ายก็เข้าซูมจนได้โดยแรงศรัทธาของคุณยาย <c oughs> ครับผมก็ใช่เลยเขาเรียกว่าไ ด, ได้ได้เพื่อนที่ดีก็บัณฑิตเนี่ย <c oughs> คุณยายนี่เป็นบัณฑิตนะยิ่ง เ, เรายงเราเข้าหาถนได้ขเขา้าหาเข้าสุดท้ายสุดท้ายสุด้าย ตอนแรกผมลืมาพระอาจารย์วันนี้วันพุธผมก็เรียนหนังสือเสร็จสองทุ่มเพิ่งเรียนเสร็จปุ๊บผมก็เดินลงไปจะไปหาอะไรทานเพราะว่าเดี๋ยวต้องทานยาครับอาจารย์แลก็เลนซเอร์เนซัมเมอร์เนมมี่อ่าใช่ครับผมมก็ไม่เชิงเลนซัมเมอร์เหมือนเป็นเรียนพิเศษอย่างเงี้ยแล้วก็ คุณยายก็บอกว่าวันนี้วันฟูดนะเอาเข้าซูมหน่อยแต่วผมก็เออได้สี่หันไปดูนาฬิกาสองทุ่มกว่าแล้วรับ<ม>อาจารย์ก็รีบพาคุณยายขึ้นมาเข้าซูมแล้วก็ใส่แมส ท, ทั้งคู่ครับผมอาจารย์ก็ดีทำหน้าที่ได้บุญนะได้บุญได้กุศลพาคุณยายไปนิพพานคะรับอาจารย์แล้วก็ ตอนนี้มาส่งการบ้านครับผมแล้วก็ได้โอกาส <c oughs> ในการสอบเลยครับเพราะว่าไม่กี่วันมา น, นี้ญาติคุณญาติทางฝั่งคุณพ่อเสียครับผมอาจารย์ <c oughs> ก็ไปร่วมงานส่งแล้วก็ สังเกตความเปลี่ยนแปลงของตัวเองครับผมพระจาเพรผมว่าตอนเด็กๆที่ผมยังไม่ได้มีโอกาสมพาพบพัชฌาแล้วก็เรียนรู้เรื่องพิจารณาอาการสามสิบสองนะครับก็จะผมกลัวมากเลยผมจำได้งานศพครั้งแรกที่ผมไปผมคือจับมือคุณแม่แล้วบอกว่าแม่เราเรากลับไม่ได้เราเราจะมาทำไมในในหัวก็นั่งนึกว่า คนตายไปแล้วก็ยังจะเอามาอยู่ในโรงอย่างนี้อีกผมไม่ได้อยากจะมาเห็นไม่ได้อยากจะมาดูอะไรอย่างนี้เลยอันนี้คือความคิดตอนเด็กๆ่กะครับว่าโอ้หน้า ก, กลัวแล้วก็คุณแม่ก็บอกเอาเถอะหน้าก็มาขอขามาขอขามาแล้วเดี๋ยวก็กลับอะไรอย่างนี้พอขอขามาอะไรอันนี้คือความคิดของเราตอนเด็กว่าโอ้หน้า ก, กลัวมากเลยเพราะว่าไฟที่สา่นล่ก็ไม่ดีประจย์ครั้งแรกที่ผมไป มันก็กระพริบกระพริบกระพริบมันก็หมาอีพวกหมาที่สรนอกสระมันก็เอาหอนกันสภาพสระไม่ดีเลยครับพัชร์แล้วผมก็แบบจับมือคุณแม่ครั้งแรกเลยจําได้อยู่เลยว่าจับมือคุณแม่แล้วบอกคุณแม่แม่เรากลับไม่ได้เหรอเจ้าภาพก็นั่งอยู่ข้างๆเราเจ้าภาพก็เหมือนหันมามองแรงอย่างเงี้ยครับาจาร์ว่าแบบ่ศามีเขาเสียแล้วพูดอย่างนี้ได้ยังไง แต่ว่าครั้งล่าสุดที่ไปงานศพมาครับพันจานทร์มันมีความตาม่างคือด้วยความที่เราอ่านหนังสือกายภตาสติของหลวงตาบัวมาก่อนนะครับพันจานทร์แล้วเราก็เหมือนชินกับภาพพวกนี้แล้วแล้วเราก็ตอนแรกคุณแม่บอกว่าจะไม่ให้รถน้ําศพจะไม่ให้เข้าไปใกล้เพราะคุณแม่บอกเดี๋ยวติดตาอะไรเงี้ยครับพันจานทร์ผมเลยบอกว่าให้มันติดไปซะ <laughs> แต่ผมไม่ยอมครับว่าจาย์ผมจะลถนําศพให้ได้คราวนี้คุณแม่ก็อ้าอ้าแม่เตือนแล้วนะถ้ามันติดตานอนไม่หลับไม่ใช่เรื่องของแม่นะอะไรนี้ผมก็เราก็จะลดนําศพให่ได้คราวนี้พอเราไปถึงเออ่ผ้าผ้าที่เขาคุมศพอยู่ก็เห็นแตงมือนะนิ้วมือแต่นิ้วมือมันดูดูของศพแล้วก็เหมือนนิ้วมือคนปกติทั่วไปยังเพราะว่า พึ่งเสียแบบไม่นานนะครับอาจารย์มันก็ยังสภาพศพมันก็ยังคงเดิมอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายแต่ว่าพอหลังจากนั้นเราก็ดูแลเราก็เหมือนขอขมาขออะไรเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ดูดูแลเราก็พิจารณาตลอดงานนะครับว่าทาไมไม่ขอก็เปิดดูหน้า ก็ก็นั่นแหละครับคือเก่งใจคนคนคนในงานคือเขากำลังเหมือนเศร้ากันหมดหน้าตาคือแต่ละคนคือเศร้าโศกกันหมดเลยครับพระจารย์แล้วก็ตอนหลังกำลังจะเดินไปเข้าห้องน้ำก็แล้เขาเปิดหน้าศพครับผมอาจารย์ผมก็เลยแอบไปชะงกดูคุณแม่ก็ดึงเสื้อไว้บอกอย่าไปอย่าไปผมก็ไปชะงกดูขอดูหน่อยเถอะ ก็เห็นเหมือนเลือดไหลออกเจ็บจมูกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสภาพศพคือเหมือนก็เหมือนคนธรรมดาแต่คนนอนหลับธรรมดาคนนอนหลับธรรมดาเอ น, นเหมืปราก็เลยเราก็เลยนึกในี่ใจเออไม่แน่นะักวันใกล้วันเผาขอแอบดูได้ไหมแต่ว่าเขาคงไม่น่าให้ดูครับผมแน่ใจคนในงานแล้นนี้เขามีเขามีเขามีามลงลงปรับอากาศลงตู้ เ, เย็นร่างกายมันไม เเราไม่ไม่ไม่แน่ว ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ไม่เปิดครับพัชชาแต่ว่าสภาพศพยังใหม่ครับผมพระชารย์แล้วก็เราดูแลเราก็พิจารณาว่าเออเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมีของเราบ้างยังแอบคิดไว้อยู่เลยครับพัชชาแต่ไม่ได้พูดกับคุณพ่อคุณแม่บอกดูแลต้องดูแลต้องพิจารณากลับมาที่ตัวเร า, ราต่อไปแล้วก็ต้องเป็นเหมือนเขาเนี่ยนั่นเป้าหมายที่แท้ที่ของการไปงานศพก็เพื่อ ย้อนกลับมาที่ตัวเราต่อไปเราก็ต้องเป็นทากสมก่องครับอาจารย์ก็ดูเราเป็นนาคาของเราเราเป็นอดีของเขาครับอาจารย์ก็สังเวยพอสมควรครับผมอาจารย์เพราะว่าคนนี้ก็เป็นญาติที่เราก็เจอบ่อยะครับผมงานงาตอนที่ผมบวชเนรยังมาถวายอาหารอยู่เลยครับผมก็เพินงเจอครับ ว่าคงจะได้ไปสุคตินะไปสวรรค์โอเคคุณยายมีอะไรไหมก็ไปกับท่าไม่ได้ไม่ได้ไปกับท้าวอานนท์่านเขาเขาไม่ให้ไปก็ขอไปด้วยเขาไม่ให้เปไปรับนะแล้วไปด้วยกัท่านญาติี่น้องกันนะคะครับอาจารย์โอเค ครับอาจารย์แล้วก็มีประมาณนี <t <t> <t <t ้ค sí รับผมอาจารย์ที่จะมาเรียนพรอาจารย์สาธุปฏิบัติต่อไปพิจารณาต่อไปนะครับขอบพระคุณในครามแกของทุกคนนะไม่ใื่อแค่ว่าของเราของคนเองก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันทุกคนพวกเราทั้งหมดในห้องเรียต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันหมดทุกคนให้พระอาจารย์ทาทขังแข็งแรงทําไมให้เราครับแข็งแรงคนเดียวแล้วเราไม่แข็งแรงบ้าง ขอให้ทุกคนทัดขันแข็งแรงเป็นกำลังของพุทธศาสนาต่อไปครับแล้วมันเป็นไปได้เหมแข็งแรงกับความแก่ความเจ็บความตายในมันจะมันจ ะ, ม, นจะมันจะจิงกันขอให้ทุกคนมีสติและลึกถึงความตายอยู่ทุกเมื่อสาธุครับ <laughs> <laughs> <laughs> ครับครับขอบคุณพระอาจารย์ขอให้ท่านแข็งแรงแล้วมันตายไหมตายมันเจ็บไหมขอให้ไงมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้อกันเปลี่ยนแล้วกันครับพระอาจารย์ขอให้พวกเราทุกคนเห็นการแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายดีกว่ามีดวงตาเห็นธรรมดีกว่ามีดวงตาเห็นธรรมครับผมครับผมครับขอบคุณครับเหนมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาในร่างกายเราได้ไหม ขอบคุณค okay. ่ะโอเคอไปได้เป็นหญิงวิไลพรกลับจากสการพระจันทร์เช้าค่ะสาธุกับน้องน้อ ง, น, อ ง, น, องน้องโมด้วยค่ะพระจานทร์น้องเขาขึ้นทางดวดได้ไวมากเลยค่ะเก่งมากเลยพระอาจารย์ของโยมหญิงกว่าจะไปไปดูแบบว่าลงศพได้นี่ต้องตื่น กว่าไปแลวพระอาจารย์น้องเขาเพิ่งสิบกว่าเขาเก่งมากค่ะ เ, เก่งจริงๆค่ะพระอาจารย์โยมโยมขอรายงานนิดนึงพระอาจารย์ตอนที่โยมไปผ่าผ่าตัดออกมาเรียบเ ร, ยบร้อยแล้วใช่ไหมคะโยมขอรายงานความน่ารักของลูกสาวอะค่ะพอโยมผ่าตัดออกมาแล้วลูกเขาหน้ารักมากค่ะ ล, ลูกเขาบอกว่ามาม่ า, มามอยากฟังเทศพระอาจารย์ไหมแล้วลูกสาวเขาเปิดเทศพระอาจารย์ให้ฟังอะค่ะพระาอาจารย์แล้วโยมก็มีความสุขมันอบอุ่นในหัวใจมากเลยค่ะพระอาจารย์ มันมีความสุขมากๆเหมือนกับพระอาจารย์ได้อยู่ใกล้โยมเหมือนกับว่าไม่ว่าเราอยู่ที่ไหน่พระอาจารย์อยู่กับตัวโยมตลอดโยมมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะโยมก็วางไปเวทนาแล้วโยมก็ขอบคุณธรรมะพระอาจารย์นะค่ะเพราะว่าโยมเอ่อไปผ่าตัดโยมเข้าห้องผ่าตัดโยมเลยโยมไม่มีความรู้สึกกลัวหรือว่าตกใจหรือว่าอะไรหรือพระอาจารย์โยมดูใจอย่งโยมเฉยมากพระอาจารย์คือแล้วแต่มันก็ผ่านไป แล้วก็ยังคุยกับพยาบาลคือแบบคือมันทุกอย่างเป็นเรื่องปกติเลยพระอาจารย์ถูกต้องธรมพระอาจารย์สุดยอดใจเราไม่เป็นอะไรใช่ไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยเราไม่ได้เป็นร่างกายใช่ค่ะแต่กลับเห็นว่าตัวเองอ่ะเป็นร่างกายเราคือก้อนทุกทุกอย่าง ม, มันเกิดจากร่างกายคือทุกทั้งหมดเลยพระาาอาจารย์ใช่ค่ะแล้ว<ม>ก็โยมก็มองไปถึงว่าอีกหน่อยเราก็ต้องเจอสภาพอีกพอเราแก่ เราก็ต้องมาลงบานเจ็บอย่างนี้พระอาจารย์โยมันจะพยายามทาทุกอย่างเพื่อให้พ้นถูกเจ้าค่ะดีมากค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์กับขอพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกสาวโยมฟังอริยะสัจ4ี่จนจบเลยค่ะพระอาจารย์อดีดขาเลยใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วเขาก็ยังพูดแต่บอกโอ้พระอาจารย์พูดถูกเลยนะเขามีความอยากเขาอยากออกไปนอกบ้านทุกคืนอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกเขาบอกพอฟังเสร็เหมือนหนูเลยมาม้าเหมือนหนูเลยค่ะ ค่ะพระาจารก่าขอบพระคุณนรรมะพระอาจารย์เจ้าค่ะค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์อที่นาที่ว่าคุณมลิกากลับนาัส ก, การเจ้ากล่าวพอาจาร ย, ย์ก็จากการปฏิบัตินะคะขอนขอรายงานการปฏิบัตินะคะพระาอาจารย์ว่ า, นาในเรื่องของการ ที่ว่าถูกบดทดสอบต่างๆนั้นมันทําให้อารมณ์ต่างที่ว่าพอได้เรียนได้ฟังจากผู้อาจารย์สอนตอมาตลอดกับสองปีนะคะผู้อาจารย์ทําให้เรารู้เลยว่ามันมันไม่จริงงมันไม่เที่ยงที่ทําให้เรากโกรธหรือว่าเราทุกข์ใจเราเศร้าใจนั้นทุกอย่างมันมาจากตัวเราเจ้าค่ะผู้อาจารย์พอพอเข้าใจว่าอย่างนี้ปับ๊บ มันไม่นานไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนั้นเป็นปีปีกว่าจะได้ดับยงไปได้แต่ได้เข้ใจแต่นี้ประมาณสักไม่กี่วันแล้วก็ก็หายหายไปเรื่อยๆแต่มันจะมาค้างอยู่ที่ว่าอะไรก็ได้ที่เกิดอยู่กับน้องเราพี่เราน้องเราคนที่เราใกล้ตัวคนที่เรารักไม่ใช่ว่าพี่น้องหรือว่าใครก็ได้ที่เรารักเท่านั้นแหละที่จะมันตัดลงยากค่ะพระอาจารย์ ก็รายัางมไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่ต้อง <hist> มองว่าเขาก็เป็นเหมือนคนที่ไม่ได้เป็นญาติกับเราร่างกายเขาก็เหมือนกันทุกคนร่างกายของคนที่ไม่เป็นญาติเราของคนที่เราไม่ทุกมันก็เป็นเหมือนกับร่างกายของคนที่เป็นญาติของเราเหมือนกันทุกอย่างแกเจ็บตายเหมือนกันทุกอย่างเพราะเราไปรักเขามากไปห่วงเขามากอ่าเนา เราหนึ่งไปว่าเขาต้องมีการแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาพิจารณาตัวเขาบ่อยๆร่างกายเขาบ่อยๆเหมือนกับคุณสุภาัสตาเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นห่วงคนอื่นไม่ห่วงตัวเองอเจ้ า, าจค่ะอาจารยค่ะเราพิจารณาร่างกายของคนอื่นด้วยของกายคนไหนที่เราห่วงกันต้องพิจารณามากๆาเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาค่ะการเรื่องเจริญสตินะะก็ นั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมทุกวันเจ้าค่ะอาจารย์สงบไหมล่ะก็ก็ถ้าสมมุติว่าวันไหนที่ว่าเราไม่ไปเจออะไรมากหรือไม่ไปเจอผู้คนมากมายวันนั้นจะเห็นความตกต่างเลยว่า เออเราจะไปเอาคําพูดของคนอื่นนะมาไ ว, ว้ในเรากว่าจะได้ตัดได้ครัอาจารย์อิติปิโสนั้นะเป็นรู้ไม่รู้ว่ากี่รอบกี่โรอบแล้วมันว่าพุดโตก็ไม่รู้กี่รอบกี่โรอบแล้วก็พอพอลงไปได้ก็โอเคในระดับหนึ่งแต่วันไหนที่ว่าเราไม่ได้ไปเจอผู้คนไม่มีใครมาให้เราได้ยินได้ฟังอะไรที่มันเรื่องร้ายๆอะไรก็ไปได้ง่ายครับอาจารย์รู้สึกวันนั้นอเลย คล่องแล้วก็มีความสุขพระพุทธเจ้าสอนให้เราไปปิดเวงๆไม่ต้องไปสัมผัสรับรู้กับใครมันจะทํำให้เรากาทําสมาธิมันง่ายไม่มีนิวรณ์ความคิดโครงสร้างนัง่นแหะดีมากพยายามอยู่คนเดียวอย่าไปเกี่ยวข้องกับคนเวลาไปเจอคนเงี้ยถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปพูดไปคุยอะไรกับทําหน้าที่ทํางานของเราไป ชาวบ้านเขาพูดอีกเขาบอกว่ากลับมาอยู่บ้านแล้วไม่เห็นหน้าจะไปเยี่ยมคนนู้นคนนี้บ้างเลยพอเราไปแล้วเขาจะเอาเรื่องต่างๆได่จับมาใส่เราไม่ต้องไปกังวลคา น, นชาวบ้านเขจะพูดอะไรกันเราเราฟังพระพุทธเจ้าคนเดียวอก็พอชาวบ้านไม่ได้เป็นครูของเราครูของเราคือพระพุทธเจ้าพระ พ, พุทธพระธรรมพระสงฆ์ คนเดินย้วยไงฟังได้แต่ไม่ต้องไปเชื่อเขาปล่อยเขาพูดไปแสดงว่าสติของเรามันต้องควบคุมให้อยู่ใช่ใจเราเป็นไหลไปกับเขาพอเขาพูดอะไรก็หลงเชื่อไปกับเขาคิดไปตามเขาแล<ก>้วไปนล้วเป็นยังไงพอทําตามพอเราใจก็ ว, วุ่นวายวุ่นวายก็หายุนะ่นวายแล้วเราไปทํ า, ทาตามทำ<า>ไแล้วต้องการใจสงบไม่ใช่ เอามาคิดเวียนไปเวียนมาเวียนไปเวียนมาอ่ามันต้องเชื่อพระพุทธเจ้าของเจ้าหบออย่าเป็นคุกคีอับใครถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องไปคุกคีกับใครถ้าคุกคีทาเป็นต้องคุกคีก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยกันมีหน้าที่อะไรทำก็ทํามันไปเจ้าค่ะโอเคเนาะขอโน้อมนัง่งไปปฏิบัติเจ้าค่ะอะไรที่คุณมานีมานีพุทธการ ไปวัดมาใช่ไหมที่ที่แล้วจ่าหลวงพ่อค่ะข้ไปดูวัดมาค่ะยังไงดีแม่สงอไหมดีค่ะหลวงพ่อแต่ว่าวันมันน้อยไปหน่อยค่ะหลวงพ่อมันเมยมันไม่ยาวพอที่จะให้มันเคลื่อนขึ้นนะกำลังว่ามันขึ้ น, นก็นนนต้องจอดอระเดี๋ยวสุดวันเ่ะแต่ว่าทําเต็มที่ค่ะหลวงพ่อถึก ดีค่ะหลวงพ่อแล้วกลับมาฐานมันแน่นมากค่ะหลวงพ่อสติสติมันมัดติดกับเอหลักได้ดีมากค่ะหลวงพ่อตางกันตางกับอยู่บ้านเยอะแยะการปฏิบัติเวลาไใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อแล้วก็พอกลับออกมาเนี่ยมันทําให้เรามองเห็นอะไรมันเป็นแบบเออมันไม่มีอะไรมันเป็นธรรมดามันเป็นมันมันเป็นแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวมันก็ ใช่ใช่ค่มันก็ไปของมันไปเราไปยุ่งของมันเองใช่ใช่ค่ะหลวงพมันมันเหมือนว่ามันมันก็ไม่มีอะไรอ่ะค่ะออไม่มีอะไรที่เราเราจะไปยึดไปติดเราอยากให้คนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยซึ่งจริงมันมันมันเหมือนสิ่งที่เราไม่ควรเอามาถือไว้อย่างเงี้ยค่ะหพ่อหนูมีความคิดเห็นแบบเนี้ค่ะนั่นแหละควรปล่อยวางค่ะ แล้วก็พอดีเสาร์อาทิตย์เนี้ยที่วัดเขามีมีบวชพระค่ะของพ่อหนูไม่ไม่เคยเห็นแบบพับป่าเขาบวชกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีบวชชีด้วยค่ะบแบบง่ายๆไม่มีแห่ไม่มีอะไรไใช่ค่ะเ ง, งียบๆ<ง>แล้วก็ดูดูแบบหน่าศรัทธาแล้วดูดูแต่และองค์ที่มาบวชอ่ะหลงพ่อเขาคุก เขาทิ้งทางโลกได้อะค่ะหลวงพอแต่ละคนการศึกษาสูงๆมีหน้าที่อย่างเป็นคุณหมอเป็นด็อกเตอร์เป็นโอ้โหหนูหนูเชื่อตรงที่ว่าแสดงว่าเขาต้องเห็นเห็นทางนี้เป็นสิ่งทางที่เขาเลือกถูกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหอแต่ละคนมากันแบบตัดใจทิ้งหมดเลยแล้วก็ ตั้งตั้งสัตว์ว่าบวชตลอดชีวิตอย่างเงี้ยค่ะบางบางบางคนก็อายุยังไม่ได้เยอะมากอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อหนูเห็นแล้วก็เกิดศรัทธามากเลยค่ะหลวงพ่อก็ดออีอยู่ที่ว่าจะทําได้หรือไม่ได้แล้วบางคนบางค น, คน <c oughs> บวชตลอดชีวิตพอควนพอพอพอสายก็พอควนสายก็กลับบ้านก็มีก็หลว ง, ง, งหลวงพ่อหลวงพ่อสงบอะค่ะต้อบอกว่าบวชแน่นะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนตอนที่เป็นหน้าอยู่อ่ะค่ะเป็นใส่ชุดขาวอยู่ถ้าจะเปลี่ยนใจกลับวันนี้ก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบโอมีแบบหลวงพ่อย้ำย้ำย้ำแต่แต่แต่รับคนก็หนักแน่นค่ะหลวงพ่ออืแล้ว<า>แล้วก็วาการเวลามันเครื่องพิสูจน์คนระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มากค่ะแล้วเขาก็มีสอบเหมือนเหมือนที่หนูมาเรียนกับหลวงพอ่อย่างเงี้ยค่ะว่า เป็นยังไงบ้างปฏิบัติแล้วเจออะไรมีอะไรมาเล่าอะไรเงี้ยค่ะฟังลูกก็จะบอกว่าเห็นความคิดมันมีอยู่สองตัวสามตัวมันเถียงกันมันบอกว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็จะสอนสอนพระหนูก็ฟังแล้วก็เอามามาปฏิบัติแต่ว่าที่วัดนี่ก็ต้องมีมีช่วยงานวัดช่วงหนึ่งด้วยค่ะหลวงพ่อมีล้างชาม อะไรอย่างเงี้ยค่ะล้างชามเก็บของแล้วพอถึงเวลาก็ไปปฏิบัติะค่ะอันนี้ที่วัดที่ของอาจารย์สงบที่บางพลีใช่ไหมใช่ใช่ตรงบางบ่อค่ะบางบอ่บงบอค่ะแต่ว่าตอนกลางคืนตอนที่ทำวัดเสร็จแล้วพมันมันจะมืดแล้ ว, แ ล, วแล้วทีเนี้ยมีพี่เขาให้หนูเดินเดินไปส่งในที่มืดมืดเหมือนอยู่ในป่าเ น, นะก่เออหนูก็มีความรูม้สึก ก็คือปรับตัวได้คือเราไปได้กลับได้อะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันมืดมันไม่มีไฟเลยอะคะ่ะแล้วก็ถ้าวันไหนไม่กินข้าวหลวงพ่อมันรู้สึกมันดีมากไปเลยค่ะไม่ได้กินอาหารหนักอะไรเงี้ยค่ะหลสติเราจะดีค่ะหลวงพ่อ<ม>แล้ ว, วไปแค่เสาอาทิตย์ค่ะหลวงพ่อค่ะคแล้ว ขอถามหลวงพ่อค่ะแล้วอริยบุคคลที่เป็นโสดาบันนะคะพอเขายังตัดตัดความโกรธยังไม่หมดใช่ไหมคะหลวงพ่อยังได้ก็ยังโกรธถ้าใครมายุ่งกับแฟนเขาเขาว่ายังโกรธได้ค่ะแล้วแล้วระดับอนาคามีอันนี้ความโกรธนี่ยังยังเหลืออยู่ไหมคะหรือว่าหมดแล้วไม่โกรธเกี่ยวกันเรื่องร่างกายไม่โกรธใครจมาทําอะไรร่างกายไม่โกรธแต่ยังโกรธเรื่องหน้าตาตัวตนอย่า ยังมีอัตตาตัวตรงค่ะยังถือตัวอยู่คใครไม่เ้าลบนี่กยังาน จ, จะปล่อยเขาไดห้หนูคิดว่าไปถึงขั้นนี้แล้วใกล้จะหมดแล้วอะไรเงี้ยแตงว่ายังมันในครึ่งทางยังเหลืออ้ามตัวสังโยนห้าตัวค่ะตัวมานะตัวอวิชามันยังไม่อยู่ยังมีตัวตนอยู่ มันถือตัวอยู่ยังถือว่าเราสูงเขาเท่าเข า, า, า, เขาต่บว่าเขาอยู่ออแล้วแลังจากที่หนูไปที่วัดพอกลับมาค่ะหลวงว่ามันมีความคิดที่แบบว่าอยากจะทำอยากปฏิบัติให้เพิ่มขึ้นมันใจมันเหมือนมันมีกำลังใจอะค่ะก็เรียกวิธิบัติสิฉันทาวิริยะเกิดขึ้นค่ะก็คือเวลาส่วนใหญ่ พอไม่ได้ทํางานไม่ได้อะไรหนูก็จะวิ่งเข้าทางนี้อย่างเดียวออค่ะหลวงพ่อถูกต้องดีแล้วทําให้มากที่สุดเอาเวลามาให้กับการปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ค่ะแล้วแล้วมันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความก้าวหน้าขึ้นค่ะหลวงพ่อมีปฏิบัติมากพอ้นกยมากขึ้นตามลำดับค่ะวันนี้หนูต้มค่ะดีสติเร็วขึ้นปัญญาเร็วขึ้น หลวงพ่ออีกคําถามหนึ่งค่ะแล้วแล้วอย่างคนที่เขามีปัญญาทางธรรมอันนี้จําเป็นจะต้องมีปัญญาทางโลกที่ต้องเก่งแล้วมันตอบมันเอื้อกันไหมคะหลวงพ่ อ, อวม่หรอกทางโลกอาจจะนะเราไม่มีปัญญาทางโลกเลยจบป .4 ไม่ได้เรียนอะไรมากแต่ถ้าไม่มีปัญญาทางโลกก็เอาธรรมะมาสอนไม่ค่อยได้ แต่ก็ไม่แน่บางคนไม่ได้เรียนหนังสือแต่ก็สามารถที่จะมีปัญญาทางโลกได้ปัญญาไม่ได้เกิดจากการ ไ, ไปเรียนหนังสืออย่างเดียวเปัญญาทางโลกมันเกิดจากการคิดมองมองโลกเป็นมองอะไรเป็นโอเคนะค่ะหลวงพ่อกลับขอบพระคุณค่ะคุณแคนชิดไต้หวันไต้วันเต็มรอบหรือยังเนี้ยได้ข่าว กาบน้มาสการครับป้าอาจารย์วันนี้เข้ามากาป้าอาจารย์แล้วก็ร่วมฟังธทมครับไต้หวันก็ตอนนี้ก็เตรียมผลิตจะเป็นยใเนเอเชียค่ะไต้หวันับผลิตลูกปืนเพราะผมอยู่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ทำไอโฟนครับทำบริษัทไอโฟนไอโฟนเขาไม่สั่งแล้วช่วงนี้มีแต่ทำวงจรพวกน่าจะเป็นพวก ข้างในลูกปืนที่มันใหญ่ๆครับที่เป็ น, ปนเป็นว ง, งจรกบบผลิตแต่ฤฤ <laughs> ผมว่าอาพุดสงคราบครับก็ไม่ค่อยมีงานข้างนอกเข้ามาครับบางโรงงานก็ปิดปิดหลายปิดเยอะแล้วครับปิดตัวเราก็เป็นอย่างนี้อย่างนเชียดีกันมันยะแผ่งกันแต่ทำไมนะ แต่กคนต่างอยู่มันก็แฮปปี้นะใช่ไหมครับบริษัทผมเขาก็อ่านย้ายย้ายฐานไปสร้างที่ประเทศไทยแล้วนะครับเนี่ยแล้ก็ทับบ้านต่อไปครับเพราะว่าผมก็อยู่มาหกปีแล้วก็อยู่ได้อีกหกปีแต่เขาบอกว่าถ้าแตกที่สี่ก็คุณก็ไปต่อที่ประเทศไทยก็ไปเป็นหัวหน้าที่ประเทศไทยเลยเขาบอกอก็ดี้ครับเอาโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมครับผม ถ้ามากราบพายกาจรครับขอพราอาจารย์ท้าบการแข็งแรงนะครับทุกอะไรที่เป็นเดียโบราณเดียน้มกราบน้มัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะมีคําถามคือตอนนี้ลูกก็พยายามรักษาศีลคิดว่าน่าจะได้ศีลให้น่าจะได้ประมาณเก้าสิบเก้าสิบห้าเอร์เซ็นแล้วแต่ก็ พยายามเช็คว่าวันนี้ไม่ไม่สามารถพูดได้ว่าผิดศีลแต่มันก็พูดไม่ได้ว่าถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็กรรมบว10ิบก็กลาลังเริ่มศีลแปดก็ได้เป็นบางวันบางวันก็ขาดนะคะทีนี้ยังมีเรื่องที่สงสัยคือประกันอันนี้คือไม่ได้ถามให้ตัวเองเพราะไม่ใช่ในายจ้างอะคะ่ะแต่ว่าเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนในครอบครัวก็คือประกันสังคมเนี่ย ลูกจ้างเขาไม่อยากทําเพราะว่าเขาหมุนเงินไม่ทันเขาต้องเอาเงินเดือนเขาไปจ่ายให้สํานักงานประกันสังคมแต่ถ้าเราไม่ทําประกันสังคมให้เขาอ่ะคืออย่างแรงงานจ้างเขาอย่างเงี้เขาก็ต้องจ่ายเดือนปีหนึ่งจ่ายประมาณเกือบสองหมื่นเงี้ยค่ะถ้าเป็นโรงงานก็จะหักจากหักจากน้าที่จ่ายเลยแต่ว่าถ้าเหมือนเขาไม่อยากทำเพราะเขามีฐานิบัตรอยูแ่แล้วถึงไปได้ไปหาเอกชนได้เขาก็ไม่มีสาํารองใจอยู่ดี ทีนี้ถ้าเราไม่ทําให้เราก็ผิดกฎหมายแต่ว่าถามว่านายลูกจ้างก็ไม่อยากให้ทําเขามาขอร้องเหมือนไม่เชิงขอร้องตรงๆแต่ว่าเอออย่าทำเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนายจ้างอย่างเรานี่ทําแล้วเขาก็ทุกอย่างนี้ควรจะทําตามกฎหมายแล้วถ้าไม่ทําทางกฎหมายมันผิดศีลไหมเจ้าคะผิดเลยเพราะกฎหมายก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องของของความถุกต้อง ถ้าเราไม่ทำมันก็ผิดพรามันก็ทำเพื่อประโยชน์ของคนคนของคนคนที่ต้องเสียงินนะเพราะว่าอนาคต8้างาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็จะได้มีมีคนมาดูแลรักษาของโตข่ะทีนี้ถึงเราถึงเราเราไม่ใช่ในจ้างเราเป็นคนในบ้านแล้วเราก็ยังใช้งาน หมายถึงว่าช่วยดูแลกิจาการแล้วก็ใช้ใช้คนงานในบ้านเราเราเราไม่ได้ผิดไปด้วยใช่ไหมเจ้าคะอันนี้คยถามแลนนี้เนี่ ย, ย, ย, นะยกังวลอยู่เลยแล้วต่คน<ส><ๆ>คนกฎหมายเขาเขาครอบค อ, อบคุมถึงคนงานในบ้านหรือเปล่ากฎหมายก็คนงานในบ้านนะคะแต่ว่าหนูหนูเป็นลูกอะค่ะหนูหมายถึงว่าบางทีหนูก็ช่วยงานที่เราแล้วหนูก็ใช้งานคนงานด้วยถึงตอนนี้ยังไม่ทําประกันสังคมก็หนูหนูใช้งานคนงานที่หนูก็ไม่ได้บาปไปด้วยใช่ไหมเจ้าคะ คือกฎหมายเขาก็จะเอาผิดคนที่ที่ <c oughs> ที่เป็นเจ้าของกิจการไม่ใช่เลยล้วถ้าพูดถึงบุญกับบาปแล้วเจ้าคะก็มันอยู่ที่เจ้าของกิจการเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เราเราเป็นลูกน้อครับทีนี้น้องตอคุณหลวงพ่อแล้วค่ะทีนี้การทีนี้หนูมีโรคประจําตัวหนูไปหาหมอคุณหมอยังไม่ให้นั่งสมาธิแต่หนูรู้สึกว่า พระอาจารย์ก็เคยแนะนําให้นั่งสมาธิเพราะว่าฟุ้งแล้วก็กําลังจิตไม่พอก็เลยใช้วิธีพยามเดินแล้วก็อยู่กับไกลจากเนือ้อทั้งลมเลยแล้วก็นึกอันไหนได้ก็จะอยู่กับอันนั้นแต่ยังรู้สึกว่าฟุ้งแล้วก็พยายามดึงกลับดึงกลับอ่ะคะ่ะทีนี้อันนี้อันนี้คือถามย้อนหลังว่าตอนที่นั่งสมาธิน่งรู้สึกว่านั่งเก้า อ, อี้แล้วมันมันเกิดปิติเร็วกว่าเร็เเรเเรเวกว่านั่งขัดสมาธิเพราะนั่งขัดสมาธิแล้วมันมันปวดหลังอะคะควรจะทนควรจะทนนั่ง หนูควรจะจัดตัดกายเนื้อทิ้งแล้วก็นั่งเก้าอี้สบายๆให้มันเข้าสภาวะได้เลยลึกๆหรือว่าควรจะนั่งแบบก้นื้นดีค่ะแต่เราคุณนั่งกับพื้นนั่งกับสมาธินั่งมันก็จะดีกว่าเพราะว่ามันเราสามารถไปนั่งที่ไหนก็ได้ oh. แต่ถ้าเรานั่งเก้าอี้ดี๋ยวเราไปเข้าป่าแล้วเราแบกเก้าอี้ไปด้วยหนู เคยทนได้ครั้งหนึ่งลดความเจ็บที่หลังมันดับเพิ่เหมือนปิดไฟเลยอะค่ะต้องให้ทําให้ทนทอย่างนั้นเลยใช่ไหมเจ้าคะทําได้ก็ดีทําได้ก็ดีแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ก็แล้วไปแล้วทุกขังของ้องกับพระอาจารย์ทุกขังของสุภเวทนาค่ะคือคืออะไรเจ้าคะก็คือเราเราไม่อยากให้ความสุขมันหมด่ย เ, เกิดคารอยากไม่ให้ความสุขมันหมดใจก็ทุกข์แล้วโอ้กูว่ากูว ค, ความสุขจะหมดมีสุขก็อยากยึดติดกับความสุขไม่อยากให้ความสุขมันหมดใจก็เลยทุกข์ตอนนี้ก็ยังทําการบ้านพระอาจารย์อยู่คือส่วนมากก็ถ้านอกจากรู้กายเนื้อกับกายลมก็จะพยายามดูเวทนาว่ามันเห็นง่ายดีสามอย่างสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยจ้ะค่เราก็ยังรักสุขเกลียดทุกข์โอโก็เวลารับรู้ รับรู้สงสัยว่าทุกขังของวิญญาณขันคืออะไรเจ้าค ะ, ะวิญญาณขันก็มันก็รับรูปเสียงกิดลดเข้ามาเ<ก>นี่ยรรูป<ะ>เสียงกิดลดมันก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงมันก็ทำให้ทุกข์ได้เวลารูปเสียงกิดลดเปลี่ยนไปถ้ายังไม่เข้าใจก็ต้องปฏิบั ต, ติต่อไปใช่ไหมเจ้าก็ใช่เช่นเสียงเราได้ยิน เดี๋ยวลราเสียงที่เราชอบมันหมดไปแล้วก็ทุบใช่ไหมอ๋อเพราะว่าการรับรู้มันมันมันตัดมันถูกตัดด้วยมันมันเปลี่ยนไปตามตามภาวะของเสียงที่เข้ามาทางตาเข้ามาทางหูไงเดี๋ยวก็เป็นเสียงดีความเสียงไม่ดีบ้างมันก็เลยทําให้เราทุบได้เจ้ค่ะทีนี้ตอนที่หนูเข้าซูมยังไม่ได้รู้สึกรู้สึกทุบอยู่ รู้สึกอาสุค ม, มาสูุน่าจะเป็นถูกความสูขแล้วพอเข้าสูมได้ปั๊บรู้สึกสุขแล้วหนูก็รู้สึกเปลี่ยนรู้สึกว่าเหมือนถูกผัสสะหลอมมันเปลี่ยนตามผัสสะแล้วพอตอนหลังมันเลยเหมือนจะหนีไปหาแต่รูปรถกินเียงที่เราพอใจเพื่อคงฝุกเวทนานั้นอย่างนี้ก็ไม่ดีใช่ไหมเจ้าคะ ไ, ไม่ควรทำไม่ควรทำคนให้รูปเสิยงกิริย์รถมันมาโดยธรรมาชาตนะิอย่าไปแสวงหามันเจ้าค่ะ โอเคนะนตอนนี้ <ขอ S 2> ก่อนนะขอให้พระอาจารย์อขอไปก็ขอปฏิบัติบูชาพระอาจารย์ก็พอ่าดีกว่าอยังไม่ดีกว่านะพยายามพยายามนั่งสมาธิให้ได้นะสมาธินี่มีความสำคัญมากจะเป็นพลังของใจเราอโอเคบาทีคุณโอคิวเอทเคอะไรเนะี่ยคุณได้ยินไหม คุณโอครับคุณโอ้เดินอยู่ที่ไหนกดไมโครโฟนก่อนกดปดกุ่มข้างล่างทางซ้ายครับโอเคพูดได้เลยฮะน้อำกลับน้ำมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะได้ยินเสียงไหมเจ้าคะได้ยินชัดเจนไหมเจ้าค่ะพรอาจารย์ผูเกโอเคมีอะไรว่ามาเลยนี่มีเจ้าค่ะพอาจารย์เจ้าค่ะแปบว่ามีเจ้าค่ะ แปลว่าลูกมาถูกทางเลยใช่ไหมเจ้าคะคืสารพาวเจ้าข่าว่าตั้งแต่ลูกได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์มาเจ้าค่ะลูกจะเรื่องไหนที่ลูกกิเลสแบบอยญ่ามากๆลูกจะคอยตั้งสัจจ์อธิษฐานอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะว่าลูกจะงดเหมือนเหมือนเมื่อก่อนลูกจะติดกาแฟมาะะ่าเจ้าค่ะแล้วก็จะงดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะงดเริ่มจากอาทิตย์หนึ่งก่อนอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะงดไปเรื่อยๆอาทิตย์หนึ่งเดือแก้วเดียวอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ก็ดีได้ยินได้ยินดีนดีพ ย, <Okay. S 1> ยายามลดละกิเลสให้มากที่สุดที่จะทําทได้ <Okay. S 1> อืมเห็นอะไรมันไม่มีความจำเป็นขย่าไปกินมันดีกว่าอย่าไปดื่มมัดอยไปดื่มมัน <Okay. S 1> เอาแต่แค่สิ่งที่จำเป็นเท่า้นพอปัจจัยสิข <Okay. S 1> อ, องฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆนี่ตัดมันทิ้งไปได้ทิ้มงมาเถอะไม่มีประโยชน์เป็นยาเสพติดเป็นเหนยาเสพติดเสพแล้วก็ติดใช่ไหมก <Okay. S 1> าแฟนี่ย <Okay. S 1> เสพแล้วก็ติด มือถือดูแล้วมันก็ติดดูดูนู่นดูนี่แล้วมันก็ติดตัดกันไปซะดูเท่าที่จำเป็นยากจะพยายามลดเจ้ววาค่อาจารย์เอาเวลามานั่งสมาธิมาดูลมหายใจยนีกว่านะคะจะเหมือนาอาทิตย์นี้เหมือนคนบ้า ง, งานนิดหน่อยเจ้ววาค่ะอาจารย์พอดีว่าต้องรีบหาตังค์ที่ว่าจะกลับหน้านะาแบบนี้เจ้าค่ะอาจารย์อก็เลยาอาทิตย์นี้มามจำเป็นต้องทำไปก็ทําไป นะคะคือเหมือนกับว่าเราเรามีฉันท้าอยู่แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เวลาที่ตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยลูกจะคิดผู้ว่าเราต้องลูกมานั่งสมาธิแต่ไม่ก็ไปเดินจงกรมใช่ไเจ้าค่ะที่จะเป็น อ, อย่างนี้ทุกวันเจ่าค่ะพระอาจารย์สงบไม่โงรกลูกก็นั่งอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะนี่ทำตามเวลาเนี่ยถึงเวลาทำอะไรก็ทําไปแล้วทาให้มากขึ้นเพิ่มไปเพิ่ไปให้มากขึ้นไปไเรื่อยเร ตัดงานอย่างอื่นออกไปถ้าไม่จับเป็ดงานไม่จับเป็นตัดมันไปเอาเวลามานั่งสมาธิมันปฏิบัติธรรมดีกว่าก็อที่ทบบจริงเจ้าค่ะพระอาจารย์ตั้งแต่สิ้นปีใช่ไหมคะปีใหม่ค่ะพระอาจารย์บอกว่าอ่าตั้งแต่มกราเจ้าค่ะพระอาจารย์บอกว่าดูว่าปีเนี่ยเรามีอะไรก้าวหน้าบ้างอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะลูกเลยจากปีที่แล้วอ่ะที่จริงลูกรักษาศิลแปดเรียนละครั้ง ปีนี้เจ้าแต่งแต่งวัากระลาไปต้นมาแล้วเจ้าคะอาจารย์จะถึงเดือนนี้เจ้าค่ะแล้วก็ไอธิษฐานแล้วรู้สึกว่าอาจารย์แล้วอธิษฐานว่าขอรอักษาจุดแปดอาทิตย์ละหนึ่งวันอย่างนี้เจ้าค่ะจากอาทิตย์จะเดือนละหนึ่งท่างก็เป็นอาทิตย์ละหนึง่งวันอย่างนี้จ้าค่ะจะไม่กล่าวจะมากกว่านั้นอนีออ่ตามไปก็อาทิตย์ละสองสองวันกันนะวันโกน ว, วันพระอะไรเพิ่ม<า>ไปเรื่อยๆตามกามําลังปฏิบัติไปแล้วคำลังมันก็จะมากขึ้นแบบเรื่อยๆ เราปฏิบัติให้มันเต็มร้อยให้ได้เป้าหมายก็เราต้องการจะไปขีดที่เต็มร้อยคือปฏิบัติอย่างเดียวไม่ทําอะไรแล้ ว, ไ, วดได้บวชได้เนี่ยปฏิบัติเต็มร้อยแต่เราก็ต้องเพิ่มจัดทําจากจุดที่เรายืนอยู่ขณะนี้ขณะนี้เราทําได้เท่าไหร่ก็ทําไปก่อนเพิ่มได้กับเพิ่มไปตามกําลังไปเรื่อยๆอย่างก็เต็มร้อยพยายามอยู่ให้ความสมดุลอยู่ให้ น, นั่น นะอาทิตย์อย่างนี้ถามวินี้จริงเจ้าค่ะอาจารย์แล้วอย่างเรื่องอ่าผ่อนอาหารหลังเที่ยงเจ้ะคะาค่ะเหนที่ลูกตอบเรียนพระาอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมเจ้าคะ่ะก็คือว่าเดี๋ยวเข้าวพรรษาเนี้ยลูกก็จะอธิษฐานอีก็ลูกจะกกจงมทานข้าวหลังเที่ยงแต่ลูกก็จะเผื่อไว้ว่าเผื่อว่ามีเหตุต้องไปกินข้าวจริงๆหลังเที่ยงนะลูกเผื่อไว้สามวันหรือไม่ก็เฉพาะแบบว่าช่วงที่แบบเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วคุณหมอต้องให้ทานยาอะไรนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ก็ไม่ผิดสัจีลใช่ไหมเจ้าค่ะก็แล้วแต่เราจะจ ถ้าเราตั้งเรามีข้อแมแล้วก็ทําเราก็ทําทได้ถ้าเราไม่มีข้อแม้เราก็ทําไม่ได้คะอีก น, นิดนึเจ้าขาอาจารย์พอดีว่าเหมือนกับว่าโอ้ะก็คือเหมือนเรายังไม่ได้ยังไม่ได้อยู่กับคําบริกรรมตลอดอย่างนี้คือคอยเปลี่ยนคำวลีกรรมนี่เจ้าขาอาจารย์พูดโทบ้างพูดโทธรรโมสงสาโทบ้างแต่พอดีเช้าเช้าเมื่อวานเจ้าขาอาจารย์คือเหมือนกับว่าพูดโทก็เอาไม่อยู่ พูทโทรธโมสังโฆหรือว่าอันนี้ก็ไม่อยู่แล้วอยู่ๆเนี่ยคําว่าไตารักเจ้าค่ะผุดขึ้นมาแล้วเป็นใจรักแบบใจรักใจรักใจรักใจรักอย่างนี้เจ้าขาพยาจารย์ลูกก็เลยลองลองบริกรรมไตรักดู<ม>พอจะคิดเนี่ยลูกก็จะจะไปที่ใจรักแล้วก็คิดว่าใจรักแล้วก็เป็นอานิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เจ้าขาพอาจารย์แล้วก็อยู่กับไตรักใจรักพอจะคิดก็ใตรักอานิจจังทุกขังอนัตตาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมเจ้าค่ะได้ไดีอะไรก็ได้ที่ทําให้เราหยุดคิดได้ เพราะว่าอยู่ๆก็คือผุดขึ้นมาเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์หรืว่าไตรักไตรักไตลักขึ้นใหม่นี้เจ้าค่ะอืมนี่อาจจะเป็นของเก่าที่เราเคยใช่มาก่อนนะอีกนีดเป็นได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้เอาเต็มที่เลยอ่ะพราะว่าอยากเข้ามานาแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ด้วยลูกฟังพระอาจารย์มาบอกว่าอยากเข้าสูมมากแต่ก็ไม่ได้เข้าสักทีเจ้าค่ะใหม่ๆก็จะมีคำถามเยอะหน่อยเจ้าค่ะอาเลยอาเลยตามไเจ้าค่ะ ก็คืออ่าเวลาลูกได้ยินได้ฟังพระอาจารย์เทศใช่ไมเจ้าคะพระอาจารย์จะให้แบบว่าพิจารนาว่าเราต้องแก่ต้องจิตต้องตายลูกก็เลยพยายามว่าให้ใจยอมรับความแก่คือมาตอนนี้เจ้าคะพะอาจารย์ผมก็ตัดสั้นแล้วก็ผมขาวอะ่ะตั้งแต่ลูกผ่าตัดเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมเจ้าคะตั้งแต่ปีใหม่ถ้าจะไม่ผิดก็คือลูกก็ไม่ได้ไปทําสีตกอะไรเลยเจ้าคะะอาจารย์<ไ>ปล่อยมันเป็นธรรมชาติเลใช่เจ้า<ๆ>ค่ะ คนอื่อาจจะบอกว่าเราว่าเราแก่เราไม่ดูแลแต่เองเหมือนผิวเหมือนครีมลูกก็จะทาบ้างเวลาที่แบบว่าหน้าแห้งมากในกิมมใช่เค่ะเรื่องของเราเราก็เรารู้ว่าเราทําเพื่ออะไรแล้วก็ทําของเราไปมันก็คือคนอื่นอ่าใช่มัปล่อยว่างเลยปล่อยวางร่างกายปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติมันจะงอกก็ปล่อยมันงอกไหม ใบห<ก><อ>น้ก็เขียวที่สองอาจารย์ก็คือ เ, เริ่มเริ่มบอกว่าแต่ก็มีทาบ้างเวลาที่รู้สึกว่าเราต้องต้องไปเดินออกกําลังกายแล้วมันโดนแดดมากมาก็คือทาทาแต่ว่าที่เป็นเจลใสๆเจ้าค่ะอาจารย์ไม่ได้ทาครีมอะไรที่มีกลิ่นน้ำหอมอะไรนี้เจ้าค่ะอ่อไบก็ไม่ต้องทาแล้วไปเปตามธรรมชาติเวลาผิวแห้งมายนี่ก็ไม่ไม่ทาได้ไหมเจ้าค่ะพาจารย์เราไม่เห็นต้องทาเลยเราไม่เห็นแพ้ตรงไหน ใช่เจ้าค่ะอาจารย์ทุกฟันกะเทยมอก็จะไม่ฝอยทาอยู่แล้วเจ้าค่ะอาจารย์คือแบบนานๆนึกได้ทีก็จะมาทาทีทาเป็นอะโลเวล่าใสๆอีกนีดเจ้าค่ะอาจารย์ไม่ต้องไาทามันหลอกไม่ต้องไปทามันหรอกว่ายว่างอย่างมากก็ล้างด้วยสบู่ถ้ามันเปื้อนอะไรก็ทำความสะอาดได้อยู่ไม่ต้องไปประเทมผิวไม่ต้องไปทำอะไรมันหฝอยมันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าจะได้ไม่เหนื่อยไม่ไม่ต้องไปทุกกับมัน อ, อาจารย์น<า><า>ะยังมีอีกนิดหน่อยใช่มเรัาใ่ทำทำเยอะอ่าอีก่ะอาจารย์อ่าโอชินแปดเวลาที่โอชินแปดใช่หมเจ้าคะพอดีว่าบ้านอ่ะอยู่กันหลายคนแล้วทีนี้โอ้ยยังอยู่อยู่ห้องเดียวกับแฟนนะเจ้าคะแต่ว่าคือเราไม่ได้ยุ่งอะไรกันอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมเจ้าคะเพราะว่าพอดีว่าเราไปนอนข้างนอกไม่สะดวกอะไรอย่างนี้เจ้าคะอาจารย์ที่้นเจ้าก็ระวังแล่วกันเวลาเกิดมันมีอารมณ์ขึ้นมาทําไม่มีอรมณ์ก็ไม่มีปัญหาเลย ปวดตอนที่มันไ ม, มไม่มีจ้าสาว่าเพราะว่าไม่ได้ยุ่งกันอะไรกันจะมันดูไปเรื่อยๆก็แล้วกันไม่แน่หรอกของพวกนี้ถ้าเกิดมันมีก็จะรู้ว่าอ๋อไม่ได้แล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องต้องแยกถ้ายังไม่มีก็โอเคเจค่ะน ะ, ะ, ะแฟนเขาเขาก็าน่ารักจ้าค่ะพะอาจารย์เวลาถือซิมแตกเขาก็ยิงเตรียมน้ําปะนาไว้ให้เลยเจ้าค่ะเขาก็โอเคใช่ไหมก็ดีถ้าเขาสนับสนุนได้ก็ดีเป็นโชคดีของเรา ที่่กคนที่เขาเห็นใจเราใค่ะอ๋อตอนนี้ก่อนนะอมีคนอื่นรอน อ, ยอยุ้อได้เจ้จ า, จาค่ะพอาจารย์ขอบคุณเจ้าค่ะวันว่าวหน้าขยรปฎิวัติทุกาอาจาจรย์เจ้าค่ะลูกแต่ปฏิัติทุกวันเจ้าจค่ะย่าอาวุจะคนที่ดีบางใช่กลับนมัสการค่ะอาจารย์วันนี้ไม่มีคาถามค่ะแต่ว่าตั้งใจเข้ามากราบขอบกราบขอพรจากะอาจารย์ค่ะวันนี้หนูสอบภาษาจีนค่ะโอเค ก็ขอให้ไฟเขียวผ่านตลอดนะอะ่สาธุค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะโอเควันที่คุณตายวันนี้ตายอยู่พัทยาเจอ น, น้องแจ่ม น, นั<า>กนะกษาคะ่ะพระอาจารย์เป็นยังไงก็ปฏิบัติอยู่คะ่ะพระอาจารย์ก็เหมือนจะก้าวหน้าขึ้นค่ะพรรา น, นี้ก็ตั้งใจไว้ว่าจะวันพราค่ะก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าวันพระนับเอาเป็นวัน วันวันหยุดของเราวันหยุดของเราก็แล้วกันใช่ค่ะจะได้ไม่โกงเวลาทํางานเราไปทาวันเที่ยรเป็นวันหยุดวันหยุดที่แท้จริงก็คือวันพักของเรานั่นแหละค่ะก็ตั้งใจอย่างนั้นแล้วก็อีกอย่างก็จะตั้งใจอีกอย่างก็คือจะถืงสินแปดถึงสามเดือนแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าแต่ก็จกจะตั้งเป้าไว้ก่อนของพระอาจารย์ถ้าตั้งเป้าวันนั้นได้เลยถ้าไม่ไม่ได้ตั้งวันทำไม แต่มันแบบ ย, ยังหิวอยู่เลยนะคพะพอาจารย์ก็มัน ไ, ไม่เป็นให้มันเขาบอกไม่ตายหรอกนี่เราบบกินมือเดียวมันต้องสี่ห้าสิบปีแล้วเนี้ยค่ะแล้วก็มีคําถามค่ะอาจารย์แบบว่าถ้าเราถือสินแปดแต่เราต้องยังต้องทํางานอยู่อย่างเงี้ยนะคะพระอาจารย์ถ้าเราตั้งเป้าไว้ว่าสามเดือนเราถือสินแปดแต่เรายังต้ อ, อทงทํางานอยู่ก็ดีถ้าทําได้ก็ดีแสดงว่าเราเก่งข้อสอบยากนึ่ มันยากกว่าเวลาที่เราไม่ทํางานใช่ไหมถ้าทํางานเรายัางสามารถรักษาสีแปะนั่นก็ถือว่าเราเก่งแล้วก็เราจะเรื่องการแต่งตัวอย่างเงี้ยพระอาจารย์เราเราใส่สีสีได้ไหมคะเพราะว่าแม่แฟนกับพ่อก็เป็นคนจีนเนี้ยค่ะเราจะถือเรื่องสีขาวสีดําแล้วโยมก็ใส่แล้วกันขาวกับดำก็อย่าไปใส่เพื่อความสวยงานว่าะอะไราการใส่ไปเป็นเครื่องแบบไปกันแล้วเที่ยเป็นเครื่องแบบ เพื่อให้เขาสบายใจนะคะอาจารย์เนาะเขาจะถือนิดๆมาข้อคนจินเดี๋ยวจะหาว่าเราเป็นส้ายไปช็คเรก็ต้องยอมว่าบทีสินแปแล้วอาจจะไม่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็น์ก็งกันให้คิดอย่างนี้ค่ะยังยังก็ยังดีกว่าไม่ถือนะคอาจารย์ใช่แปดสเตสิบเอร์ซนเก้าสิเปอร์เซนยังดีกว่าศูนยเปอร์ซ็นอย่างงค่ะที่พระอาจารย์ถามโยมตอนเช้าว่าเมื่อวานถือสินแปลงหรือเปล่าโยมก็ตอบว่า คือสิบแปดแต่ยอมมานั่งคิดในใจว่าเอ๊ะเรามันครบไหมบางทีเราก็ยังยังยังมีโลกโซเชียลเข้ามาบ้างมันก็คงไม่ครบต้องกาบ<ม>ขอใัย <ะ S 1> ด้วยะคะ่ะที่บอกว่าตัวเราให้รูปตัวเราเองเนั่นเองแล้วก็ถามเป็นการทักทายกันค่ะอาจารย์ค่ ะ, คะวันนี้ก็ไม่มีอะไรอ่ะคะ่ะอาจารย์โอเค่ะาเจ้า ข, ขอขาคุณเองตอนคุณเอง เกี่ยวกนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะตอนนี้โยมก็ปฏิบัติอ่าได้สมบูรณ์เสมอแล้วเจ้าค่ะตื่นทุกเช้าแล้วจะค่ะมานั่งมาสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิเจ้าค่ะช่วงข้าพรรษาก็ตั้งใจจะปฏิบัติให้มากขึ้นเจ้าค่ะืต้องตั้งเป้าต้องต้องเปาว่าจะทําอะไรบ้างนะในช่วงข้าพพันศานี้เจ้าค่ะรู้หน้าพันศาก็ได้เวลาไหนก็ได้ ถ้าเราตั้งเป้าแล้วมันเหมือนกันเรามีเงื่อนไขที่ระบังขับเราให้เราต้องทําในสิ่งที่เราตั้งเป้าเลเจ้าค่ะน้อมนําปฏิบัติเจ้าค่ะคําถาม อ, อื่นไม่มีเจ้าค่ะคแล้วก็วันนี้ได้ส่งภาพน้ำฝนไปถวายพระอาจารย์ละคณะส่งด้วยเจ้าค่ะแล้วก็โยมกราบขออภัยเจ้าค่ะที่ไม่ได้ไปถวายด้วยตนเองเจ้าค่ะเหมือนกันส่งมาก็เหมือนกันได้บุญเหมือนกันไม่ต้องถวาย เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะยังไม่มีคําถามแล้วเจ<า>้าค่ะถึเจ้าคะา่านนนะถึงคุณอนนนทอากรุงเทพกอตมตพัฒนาการกลับน้อมสักการค่ัพระอาจารย์ ก, ก็อาทิตย์นี้ที่ผ่านมายมก็บริกรรมระหว่างวันได้ค่อนข้างมากนี่มันจะมีลักษณะแบบหนึง่งถึงไม่รู้ว่าปกติป่ะคะพร ะ, ร ะ, ะ, ะอาจารย์เวลายมบริกรรมระหว่างวันบางครั้ง บางครั้งถ้าไม่มีอะไรก็จะนั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมไปเงียบๆจะมีอาการเหมือนวิววิวหมุนหมุนอธิยไม่ถูกว่าะอาจารย์นะมันจะบแบบต่การมันหมุนหมุนวิววิวอย่างเงี้ยแต่มันก็สงบนะคะอาจารย์ที่มันก็ไม่ได้คิดอะไรก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆก็แค่เรารับรู้มันไปแล้วก็แล้วก็อย่าไปสนใจอะไสนใจปล่อยวางปล่อยวางพิจารณาว่ามันเป็นเหมือนเหมือนดินฟ้าอากาศเราไควบคุมบงังคั้งมันไม่ได้ มันจะเป็นการกระตับของลมแปลค่ะอาจารย์คราวนี้เรามีคำถามนิดหนึ่งเรื่องของลมหายใจอะค่ะอาจารย์คือมีมันมีลเวลาเราหายใจเนี่ยจริงๆริงเราควรจะต้องหายใจลึกหรือหายใจบาไม่ไม่ต้องบังคับมันไม่ต้องบังคับลมมันเป็นธรรมชาติไปมันจะลึกหรือสั้นมันจะลึกหรือไม่ลึกก็เรื่องของมันเราไม่ไม่ไม่มีหน้าที่ไปควบคุมบังคับมันค่ะก็ปล่อยไปตามธรรมชาติใช่เราใช้ลมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจท่านหนึ่งค่ะ ได้ค่ะก็และที่นี้มีคําถามประมาณนี้ก็พยายามจะตื่นเช้าแล้วก็ปฏิบัติครัรู้สึกตอนเช้าจะสงบมากกว่าเวลากลับไปตอนกลางคืนใช่ถูกต้องเพราะว่าเราได้งานนอนหลับพักผ่อนแล้วเรื่องราวต่างๆที่เราแบกมามันหายไปหมด น, ะมนล้วเอาเวลาหน้ามันก็นไม่มีจิตเลยไม่คิดมากมคิดน้อยแต่ตอนขํานนี้มันยังเอาเรื่องราวที่กลางวันทั้งวันมาแบกอยู่ มันก็เลยทําให้เรายังกินมากทําให้ใจสงบยากใช่เลยเห็นความต่างค่อนข้างมากค่ะระหว่างแล้วอลตอนเช้าตื่นขึ้นมาทากับกลับไปตอนเย็นแล้วนั่งปฏิบัติใช่ยิ่เฉพาะตอนเช้ามันมีคนหนึ่งเขายางนอนหลับกันอยู่มันก็เลไม่มีอะไรมารบควนทำด้วยค่ะอาจารย์นี่พยายามตื่นเชาตื่นทั้งตีสองตีสามได้ยังดีบางทียังไม่ได้นอนเลยค่ะอาจารย์ตีสอะมันนอนหัวค่ำเ เปลี่ยนเวลานอนใหม่ต้องอย่างนั้นดูอนอนงดคำ่ำนอนจะได้เปลี่ยนแต่เช้าเราจะได้ช่วงที่คนก็นอนนลัเราพยายาเวลานี้ยมาม า, มาปฏิบตัติค่ะตั้งใจจะสงบแล้วก็ได้ฟังเพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนกัลยานและมิเตนี้พูดถึงข้าวรรษาก็เลยมีกําลังใจดีค่ะจะลองจะตั้งเป้าเหมือนเพื่อนๆพือ่อนบ้างคะคิดว่าจะทำอะไรพิเศษแค่หน่อยเนะ้ยข้ารษาก็าาาคงจะถือสิ่งแปลนะครับพยายาม มันก่อนแฟนฟังแฟนบอกว่านี่เธอจะไปเป็นแม่ชีหรือไงแต่<ะ>บอกก็ใหญ่ก็ไม่เป็นไรในแม่ชีแชร์ให้น้องไหแม่ชีดีจะตายใช่ค่ะก็ออบอกจะไม่ไปออกสังคมเลยบอกจริงๆก็ไม่ได้ชอบไปงานสังคมนะแล้วนี่จะไม่ทํางานบอกก็ทําแต่ยายสะตั้งเป้าลองดูครับสามเดือนเองอืได้ทําได้ก็ดีะจะเห็นผลแตกต่างกันเยอะจิตใจจะสงบเย็นขึ้นเยอะ เราคมจะต้องพัก <Okay. S 2> เ้าเหมือนทุกคนค่ะ mm hmm. ก็จะปฏิบัติบูชาพระอาจารย์เช่นกันค่ะอ่าสาธุอจอ้าที่คุณปางว่อไรนี่ศรีกระชากับมาสักการก็ค่ะไม่มีคำถามจ้ะค่ะเข้ามาฟังธรรมจ้ะค่ะโอเคเอาจารย์สายที่คอนแก่นเนียตอนนีู้้วยกแมกราลเนี่หมือนคอนแก่นนะ กลาวนามัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ขันแก่นเจ้าค่ะ hmm. ไม่ได้เข้ามาหลายวันเลยค่ะพระอาจารย์ติดอยู่เ hmm. วนรัญญาตัวเองติดแตยูทูบเหรอติดอยู่ในคุกค่ะพระอาจารย์ไม่เนยูทูบเหรอแตยูทูบเหรยูทูบหรอคะพระอาจารย์ตอนนี้ไม่ดูดวงดูช้างแทนห <laughs> <laughs> นีไปหาที่เกาะใหม่ hmm. แต่ว่าไม่ได้ดูละครไม่ได้ดูอะไรคะ่ะพระอาจารย์ hmm. แอบดูช้าง <laughs> ค่ะเอ มีเรื่องรายงานพระอาจารย์เรื่องสินก่อนค่ะหกจุดห้าเจ็ดจุดห้าและแปดสลับกันไปค่ะเป็นดีพยายามให้มันมากกว่าห้าไว้ก่อนแล้วกันขั้นต่ำน่าจะหกจุดห้าอยู่แล้วค่ะพระอาจารย์เพว่านอนนอนฟุกบางๆเราก็ไม่ทาไม่ใช่โลชั่นไม่อะไรเลยค่ะดำก็ดำมากฟ้าก็ขึ้นผมก็ยุ่งเหยิงมากเลยค่ะพระอาจารย์มันไม่ใช่ตัวเราหน้าการไม่ใช่เราอย่างเรา เราเป็นเราคเดว่าเป็นเราเองค่ะก็ปล่อยปล่อยคนอื่นก็ไม่เห็นว่าอะไรนะคะพระอาจารย์เขาก็คงไม่ได้ตัวอะไรเรามากหรอกร่างกายเรามันเป็นเหมือนคนรับใช้เราเราไปดูแลมันมากกว่าตัวเราเองตัวเรากลับไม่ดูแลกลัไปดูแลคนรับใช้อย่างดีอืมค่ะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ไหมดูแลทาสมากกว่าดูแลตัวเองใช่ไหมคะพระอาจารย์ดูร่างกายมากกว่าดูแลใจนะ คอยไปห่วงร่างกายไม่สวยมากไม่น้ำมากไร ม, มากอันนี้มันรักษาใจให้สงบไม่ไม่ทํากันค่ะแต่ก็เผลอดูร่างกายอยู่นะคะพระอาจารย์ว่าโอ้ขี้เลร่ขเหรช่าหมันก็ไม่ใช่ตัวเรามเมไม่เลยไม่เลยไม่สวยไม่สวยมันก็ไม่ใช่เราค่ะนั่นก็เสื่อมเสื่อมไปเรื่อยๆอค่ะพระอาจารย์มีมีวันหนึ่งตื่นนอนตอนเช้าคะ่ะพระอาจารย์แล้ว คิดว่าตัวเองไม่ได้ฝันแต่มันเหมือนเหมือนเหมือนภาวะของจิตรวมค่ะพระอาจารย์มันว่างไปหมดเลยแล้วเราก็เห็นความว่างแล้วใจก็เลยเหมือนสักพักหนึ่งค่ะมันว่างแบบเป็นเหมือนสว่างโลง่งไม่มีความคิดไม่มีอะไรองเงี้ยค่ะพระอาจารย์กแล้วมันก็มีความคิดขึ้นมาว่าโอ้ถ้าได้แบบนี้ไปตลอดชีวิตนี่สบายเลยนะเนี่ยแล้วมันก็เลยเหมื อ, น, อนิพพาน อืมค่ะก็เลยเออทำไมมันมันดีจังเลยอะไรเงี้ยค่ะความคิดมันเข้ามาว่าถ้าได้แบบนี้ไปตลอดชีวิตนะเราจะได้อะไร น, นั่นเนี่ยค่ะพระเขาทำพยายามปฏิบัติมันก็จะได้อืมค่ะพยายามกับอีกวันหนึ่งไปเก็บข้อมูลด้วยใที่โรงพยาบาลค่ะประอาจารแล้วก็ไปเข้าห้องน้ําแล้วเหลือไปเห็นห้องน้ํามันมันมีหลายๆห้องห้องน้ํานั้นเขาเข้ามันฉี่ไว้ค่ะพระอาจารยแล้วก็ไม่เขาไม่กดแล้วเขาก็ไม่ปิดประตูหนูก็ ปกติหนูก็ก็ไม่เข้าไปยุ่งกับพวกนี้อยู่อยู่คาก็กล้าเข้ า, ขาไปแล้วก็ไปกดกดกดคัดช่องไอ้กัดกดลงให้เขาค่ะพระอาจารย์แล้วก็ถามตัวเองว่าคนทําทอะไรเนี่ยแล้วก็พอเห็นปัสสาวะแล้วก็เห็นว่าอ๋อปัสสาวะคนอื่นมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็มันมันก็เริ่มมามองเห็นปัสสาวะกับอุจอุจระในร่างกายตัวเองค่ะพระอาจารย์ว่าอ๋อเราก็เป็นถุงถุงศกระโปรงแบบนี้นี่เอง S 2> <S 2> อะไรเง ja ี้ยค่ะอาจารย์มันมันเห็นภาพชัดขึ้นเมื่อเราไปไปเห็นของสกกระโปงตรงนั้นค่ะอาจารย์อ๋อคนหนึ่งเราก็ปกจะเอาเราไม่ศกเราก็ศกกระโปกค่ะก็เห็นของตัวเองว่าอ๋อที่ดูทขาไม่ค่อยออกเพราะศึกอุจจระในร่างกายอ๋อลวก็อย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเห็นของตัวเองมากขึ้นอันนั้อาหารอาหารทั้งนั้นหนักที่เราครับาแก้วอาหารใหม่ออ แล้วก็เลยอ๋อสกปรกอย่างนี้นี่เองแล้วก็ถุงถุงฉีดถุงอึของเราถุงของคนอื่นที่หิ้วไปหิ้วมาเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะพรอาจารย์ก็คาเว่าอยากจะกินอะไรน่าเวลาได้คิดถึงอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยเป็นอย่างนี้อืมค่ะแต่ก็ยางบางทีก็อยากของอร่อยอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่เดี๋ยวพยายามแต่บางทีก็ทำอะไรได้เวลามันอร่อยก็เวลามันออกมามันอร่อยนั่นแหะถามอยู่ เป็เหมือนกันเลยค่ะของอร่อยก็คงไม่อร่อยมันเของอันเดียวกันนะของอันเดียวกันค่ะพระอาจารย์โอเคในคืนนี้ตัมบุลีไปหน่อยนะช่วงเวลาเดี๋ยวพระอาจารย์จะก็ควรฝึกตั้งใจมากขึ้นอ่าเพิ่มการปฏิบัตินะตั้งเป้าไว้นะให้มันปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออย่าขึ้นขึ้นลงลงนะตั้งเป้าได้ค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะ ไหนที่เป็นยาย่ายาย่าได้ยินมั้ยาย่าเห็นไหมยายาบาไม่ได้ยินเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะคุณยาย่าได้ยินไหมครับหลับเขาบ้าเดี๋ยวนะฮะลืมลืมตาแล้วครับอาเลยสวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนเอดได้ยินไหมเอ่ยได้ยินที่อยู่ที่ไหนเออสวัสดีคะ่ะได้ยินไหมเอ่ยค่ะได้ยินได้ เ okay, ค่ะเออหนูมีเรื่องจะมากาบเรียนถามพอาจารย์ค่ะครับเลยเออขอบคุณเจ้าค่ะเออก็คือหนูควรไปแก้บนตามที่หนูได้สาบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยหรือพระพุทธรูปประจําโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย พี่ชื่อหลวงพ่อสามเสนไว้ไหมคะพดอด<ร>ีถ้าเราหมดนะถ้าเราหมดไหมนะก็เหมือนเราไปเป็นหนี้เขาแล้วเราไปยืมเงินเขาแล้วถึงเวลาต้องคืนก็ต้องไปคืนเงินนึ่ยืมเข้ามาแล้วก็ต้องไปคืนเขาใช่ไหมคะต้องรักษาสัตวจ่าไหมไม่งั้นเด๋ยวเราจะเสียสัตวจ่าแล้วมันจะเป็นเสียงทีสายต่อไปเราจะตั้งใจทําอะไรไม่ได้ตั้งอะไรก็ไม่ทําตามที่เราตั้ง เ <Okay. S 1> okay. นียค่ะโอเคท่านี้เลยยังค่ะมีอีกสามคำถามสุดท้ายค่ะอ่ะมามาเลยเวลาไม่ค่อยมีนะเออก็คือหนูควรจะทำย่างไรไม่ให้ใจของหนูวันไหวกับคนที่หนู เผลไปชอบจนเกิดปัญหาที่หนูเคยร้องไห้เพราะแค่เห็นคนฟิลิปปินส์ที่หน้าคล้ายหน้ากับคนที่หนูเผลอไปชอบอยู่ตอนนี้กําลังกแกรมแล้วพูดขึ้นเสียงด้วยภาษาประจำชาติของฟิลิปปินส์กับคนฟิลิปปินส์อีกคนหนึ่งอยู่คาะและหนูก็เคยร้องไห้เพราะไปเห็นเขาปรากฏในฝันมาแล้วค่ะ ก็ต้องมองเขา้าว่ากเขาเป็นของไม่แน่นอนเราไปหวังไปหวังให้เขแน่นอนไม่ได้เขออาว่าจะเปลี่ยนไปดีกับเรา อ, อาจจะไม่ดีกับเราก็ได้อเก็เป็นของที่ไม่แน่นอนอย่าไปมองเขาว่าเป็นของที่แน่นอนเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะ พยายามมองว่ามันเป็นของใช่ไม่แน่นอนอีกอีกข้อนหนึ่งแล้วเร็วมาแล้วนะยังขายคำถามสุดท้ายเหรอเจ้าคะโอเ่ okay, ว่ามาไงคือหนูมาขอคำแนะนำะ่าจารย์ว่าหนูควร ทำอย่างไรให้หนูมีสติจํากับงานที่ทํารือสิ่ง่หนูจะต้องทําอยู่สติหรือตื่นตื่นตระตื่นขึ้นมาแล้วต้งพุทโธพุทโธไปเวลาที่เราไม่ต้องทําอะไรต้องคายความคิดก็พุทโธพุทโธไปทั้งวันระหว่างวันลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธไป อย่างนื้แต่งตัวกินข้าวพูดโทรไปเดินทางไปทำงานพขพูดโทรไปต่อไปเราก็จะมีสติเยอะขึ้นไปเองต้องสร้างสติต้องฝึกสติมันถึงจะมีสติเข้าใจไหมเออถ้าหนูมีปัญหาจนขนาดที่ว่าหนูไม่สามารถทำงานในที่ที่มีเสียงดังมากหรือเสียงดัง ได้เช่นห้องคอมหรือห้องเรียนของหนูที่อยู่ในช่วงเวลาที่คุณครูให้นักเรียนเบรคแล้วนั่งในห้องและเป็นต้นได้เหมือนเมื่อก่อนนะคะซึ่งเมื่อก่อนหนูไม่มีปัญหาพวกนี้เลยแต่ตอนนี้ถ้าหนูอยู่ในห้องที่มีเสียงดังหรือเสียงดังมากโยูจาก ไม่มีไม่สามารถใช้ฟังคิดแล้วก็ทํางานได้เหมือนเมื่อก่อนเลยเจ้าค้าเอาอะไรมาอุดถูไว้หน่ยเอาเอาที่อุ่ถูมาอดไว้<ม>อุดได้ไหม เ, ามเหอาอะไรที่มาอุดหูฟังเนี่ยที่เราใช้ฟังไอโฟนอะไอย่างเงี้ย<ม>ก็เสียบมันเข้าไปในหูเราการไม่ต้องไม่ต้องไปเปิดไอโฟนด้วยนะเวลาทำงานมันก็จะได้ลดเสียงที่เข้ามารบกวนเราได้ ลองทำดูสิลองทำดูโอเคหันแล้วนะหมดแล้วเจ้าค่ะขอ้ก็อคุณมากเจ้าค่ะขอบคุณวาเลนได้ยินเสียงไว้วลเนอยากจะพูดหรืบเปล่กลุ่มพอกับนรรมัตการครับอ่าให้สองนาทีเวลาสองนาทโอเคครับก็ก็มากราบนวัตการครับกับเรื่องอยาก คำความเข้าใจในศินข้อห้าผมไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่าเหมือนก็แบบไปแลกเปลี่ยนกับคนอื่นแล้วเขาบอกว่าคือประทงเขาสินข้อห้าคืออะไรคือขาดส ต, าติงั้นถ้าดื่มแล้วไม่ขาดสติก็ไม่ขาดสติผมว่าเอ๊ะอย่างงั้นเราไม่จะตีข้านนทหรือเปล่าอยากเข้าใจความในศีลข้อห้าครับหลวงพ่ออ่าก็กินแล้วไม่เมาป่ะถ้ากินแล้วไม่เมาก็ไม่ผิดอย่างนี้เหรอครับหลวงพ่อมันเมาแต่มันมีเมามากเมาน้อยเข้าใจไหมพอมาเริ่มกินก็จะเมาแล้วล่ะ ก็ถึงมีการวัดตรวจแอลกอฮอล์ดูนะว่าระดับเท่าไหร่เ mm hmm. มามากเมาน้อยก็ต oh. ้องก็ต้องไปตรวจระดับดูตามตามกฎหมายเขาก็มีว่าเขาจะว่าระดับนี้ถือว่าเมาแล้วระดับนี้ยังถือว่าไม่เมาแต่ปัญหาคือส่วนใหญ่เวลามันกินแล้วมันหยุดไม่ได้เข้าใจะแบบตอนนั oh. ้นตั้งใจกินแค่แก้วเดียวกินไปกินมาให้มันนาะแก้วได้แก้วหนึ่งแนละ้วแก้วแก้วที่สองต่อ กระจายไหมยัทงทำนี่ดีอย่าไปแตะมันเลยของพวกนี้มันดูดยังดูดจิตใจเราครับไม่งั้นคนจะติดเหล้ากันเี้ยนไ่มติดเหล้ากันยอ ม, ม, มแงมเลิกไม่ได้อืผมก็เลยสงสัยไงเขาบอกกินแล้วไม่เมาเขาก็กินอย่าันี้พี่ผมก็แบบแต่อย่างผมไม่แตะแม้แต่จุดเดียวผมก็ไม่แตะนะผมก็เลยแบบผมก็เลยไม่เอไม่เองไปเถียงเขาเขาไม่เมาว่าเรื่องของเขาขไปเรารู้ว่าเราเมาก็ เ, เ, า เ, เราก็อย่าไปเดินทะเลาะกัน อย่ไม่ต้องไม่ต้องเล่าหรอกครับแค่อาหารอร่อยผมยังเมาอาหารอร่อยเลยก๋ mm hmm. วยเตี๋ยวอร่อยก็ติดรถติดชาติอันนก็กิเละแล้วก็ไม่อยากติดไม่ต่แค่ก๋วยเตี๋ยวน้ําอัดลมอะไรแบบนี้ก็ไม่ดีแล้ว mm hmm. มันก็ไม่ต้องไม่ต้องถึงสุราครับผม mm hmm. ก็อันนึงที่อานารรมักของเพจพระอาจารย์คือสี่สามเวมีพลังจิต ข, ของพระพุทธเจ้าหลงเหลืออยู่เวลาคนไปเลยไม่ต้องภาวนาจิตก็สงบลงได้ง่ายคื อ, อยังไงครับผม ก็มันเหมือนกับว่าเราได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้าเวลาเราไปอยู่ที่สถานที่นั้นมันเป็นอุปทานของเราความรู้สึกของเราเองอ๋อเพราะยังเคยเคยได้ินเรื่องเล่าอะไรนะพระธาตุปลอมแต่ว่าไปบอกเป็นพระจริงแล้วก็ดันศรัทธาพอศรัทธามันก็กลายเป็นเหมือนตัดจิตใจของเขาเองอะไรทานองนี้เลยใช่เมือนเป็นอุปทานของคนที่ไปสัมผัสรับเรื่องนี้อ๋อก็สร้างพุทโธในใจก็ดีที่สุดนะครับใช่ อก็ขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับก็ก็ธรรมะแต่เราธรรมะสมัยฟังก็ตอนเด็กกับตอนโตถึงแม้จะเป็นคําเดียวกันแต่ความเข้าใจมันเปลี่ยนไปโดยเฉพาะแบบตายไปอะไรไปไม่ได้คํานี้ตอนเด็กก็ฟังเรื่องก็เรื่องปกตินี่แแต่ตอนนี้ฟังแล้วเออความหมายเปลี่ยนไปมากเลยครับอือเพราะฉะนั้นนี่มันมีมากใช่ไหมเ่อก่อนไม่มีอะไรขอบก็ถึงแม้จะคําเดียวกันแต่ว่าการเวลาเปลี่ยนความหมายต่อใจเมื่อปี ใช่โอเคนะเดี๋ยว้องไปที่ท่านป่าวกันคุยนะกันสิต า, าการสิตาเชิญไม่พากันไม่พากันไม่ากันเสียพาเข้านอนไปแล้วค่ะพระอาจารย์เด็กไปนะ okay. ค่ะวันนี้ไม่มีคําถามคะ่ะพระอาจารย์เข้ามากะพระอาจารย์เฉยๆคะ่ะเดี๋ยวจะตั้งใจปฏิบัติบูชาถวายพระอาจารย์ค่ะดีสาธุยศยศวดีคุณยศวดี การนมัสการก็ขอพระสั่ก็สั้นก็ค่ะก็มีช่วงนี้ก็พยายามทุกโทวตอนนี้ค่ะช่วยช่วยได้ค่ะทํำให้แบบเดิขึ้นพอปกติจะสลิการคันๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวจองจองที่พักที่วัดนะคะที่วัดจะไปถือศีที่กราบเรียนพระสารนิิตย์แล้วปรากฏว่าข้างล่างเขาเต็มหมดค่ะก็เลยต้องขึ้นเขาก็ก็เดี๋ยวได้ขึ้นเขาวันที่สองถึงหก ออกวันนี้หกก็ค่ะก็นี่มาปฏิบัตินะมาเป็นไมเวกก็เดี๋ยวไปครั้งแรกก็ไปปฏิบัติธรรมเลยก็ค่ะโอเคดีขาบคุณค่ะขอบคุณจอยจอยมีอะไรไม่จอยเมื่อวานนี้มาใส่บาทไหะใช่ค่ะไปไปก็โชหุกเพราะว่าไอตัวเด็กมันง่วงเนาะอย่าไปดื้อสาเด็กอะไรมันก็อย่างนั้น วันหงุดหงิดไปบอกว่าแม่ไม่รู้เรื่องของเท้าไม่ใส่อะไรก็ไม่ใส่บนใจนะค่ะหนูก็อยากจะใส่แบบแม่ก็อิ่มบุญลูกก็หน้าอีก่เลยค่ะในเวลาก็เล่นเข้ามาพากลามาค่ะหนูก็คิดอย่างนั้นที่พระจ้าสอนเราปลูกขวางเขาไว้ตั้งแต่เด็กต้องสอนเขาถ้าไม่สอนเขาไม่เป็นไกลสอนเขาหนูก็เหมือนเดิมพยายามทําอยู่ค่ะเนี่ พยนยามทำให้มากขึนนะก็เข้าพรรษาหนูตั้งใจว่าจะแบบนั่งสมาธิตอนเช้ามืดจะต้องทำให้ได้ค่ะจะพยายามลองดูลองดูโอเคค่ะมาถึกค่ะหนูไปใส่บาตรเหมือนเดิมนะคะอย่ามาถึงค่ะคนเกิดเกิดมันเด็ดดังดังครับไม่มีคำถามครับอาจารย์สวัสดีนะสวัสดีครับแล้วก็อาการที่ บอกพอาจารย์ว่าที่แรกมันอึดอัดๆครับก็ตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับก็ทําในที่ที่อาจารย์สอนนะครับพยายามยืดพุทธยังไถวายนวดถวายอาจารย์ให้เยอะกว่ันนี้เข้าไปครับท่านอาจารย์แต่รู้สึกไปถึงนุสาวรีเลยนะอ๋อท่านมาที่นุสาวรีย์ทกครั้นุสาวรีย์ใช่ครับเหมือนเราอยู่ใกล้ๆภูบาอาจารย์เราก็รู้สึกว่าเรามีกําลังใจปฏิบัติครับยิ่งมาเข้าซูมโดยิ่งยิ่ง มีกำลังใจมากขึ้นทำาอาานยี่อนุสาวรีย์นี่ท่านไปเดินแถวไห น, นท่านไปบินทบาทท่านไห อ, อ๋อท่านนั่งนั่งเทสเลยครับอาจารย์ไปเทสเนี่ที่กางถนนเลยเนี่ใช่ครับอยู่ตรงเกาะพะขนโยธินครับอาจานก็จะมีทีมงานเอ่อชื่อพี่ชินที่นุชเขาเขามานิ ม, มนต์มาทุกวันพุธเลยครับห้าโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งครับนั่งเทสครับที่เกาทางถนนเลยเนี่ย อ่าครั้งมันจะมีจุดรอรถเมย์ครับอาจารย์จุดอก็จะเป็นตรวจหนึ่งชั่วโมงแล้วก็อ่าเทศนาธรรมชั่วโมงหนึ่งครับแล้วมันคนไม่พลุกพล่านก็มีคนเดินผ่านมาก็จะร่วมทําบุญอย่างเงี้ยครับออแล้วก็จะมีคนมานั่งฟังด้วยเพราะจะมีเก้าอี้ให้นั่งครับอาจารย์ครับเสียงเสียงเป็นยังไงเสียงไม่มีเสียงกบด้วยก็ก็ก็มันวิไปวิ่งมอย่างเงี้ยเราก็ไม่ทมันอยู่ข้างถนนอย่างเงี้เลย ใช่ใช e ่ครับเป็นธรรมะข้าพนจริงๆเลยครับก็คนดูในไลฟ์อาจจะน้อยครับแต่คนที่อยู่หน้างานเขาก็หยอดตู้ทับุญบ้างไงแต่มาไปเดิมาบางคนก็นั่งฟังบางคนก็ใกล้ๆท่ามณีสายตาวัฏยาสายใช่ครับใช่ครับแต่ก็จะมีสาประจำมาทุกสัปดาห์ก็มีครับเขาจะมาช่วยมามามาฟังแล้วก็มาทำบุญอย่างเงี้ยครับก็ก็ดีครับถือว่า ท่านก็มาโปรโดญาติโยมตอนเย็นๆครับนน ค, ครับมผมก็ได้ได้ฟังความได้สดวนไปด้วยครับพระอาจารย์ครับจะปฏิบัติบุญฮาพระอาจารย์ครับส<ะ>าธุนเาไปที่กุฎลาต่อเลยกุลาไมคมีคำถามเชมีสองคำถามจากทาง Facebook และ YouTube เจ้าค่ะคำถามแรกจากคุณเยี่ยหัวกราบเท้เท้าพระอาจารย์ขอรับ สิธ์อยากทราบว่าหากการถือศีลห้าของเราไม่สมบูรณ์มีเผลอผิดไปบ้างบางข้อบางวันจากนั้นพยายามถือศีลใหม่แบบนี้แล้วจะทำให้การภาวนาไม่ลุล่วงหรือไม่ขอรับกราบพระอาจารย์ขอรับคือการภาวนามันไม่ได้อยู่ที่ศีลอย่างเดียวศีลก็มีส่วนประกอบที่ช่วยการภาวนาแต่ส่วนประกอบที่สำคัญกว่ีก็คือ ส, อสติ นั่นอยู่ที่กำลังของสติ <c oughs> แล้วก็ถ้าศีลไม่สมบูรณ์มันก็อาจจะทาให้การภาวนาะ ไ, ไม่สมบูรณ์แต่มาร้อยมันก็ขึ้นอยู่กบับว่าสติเราด้วยนะว่าสติเรามีบ้างมีน้อยด้วยมันต้องสองอย่างต้องมีสติด้วยคำถามสุดท้ายจากคุณวาสนาน้อมกราบขอโอกาสเรียนถามครับ กระผมพุทโธในใจแบบต่อเนื่องทั้งเข้าและออกและกระผมเห็นลมหายใจไปด้วยในบางช่วงแต่รู้สึกเบาสบายดีเป็นแบบนี้ผิดถูกประการใดกราบขอพระอาจารย์เมตตาน้อมกราบสาธุครับก็ท่าใจเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ถือใช้ได้การภาวนานี้ก็เพื่อทำรับความคิดผมแต่หัใจเรานี่ทาให้ใจเราเย็นทําให้ใจเราว่าขึ้นมา หมดแล้วเลยคุณคสับทำหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคเวลาก็หมดประเด็ฉแลอวคืนนี้ก็ขอให้ท่านลงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยิดได้ฝากไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความจเจริญก้าวหน้าในทายงยิ่งขึ้นไปเธอ